สมมาส บ, บูตักสรุชอบได้ตัวเองวิชาเจรณะรู้แจ้งด้วยความประพฤติก็สวยงามเจรณะสัมปันโนสุขโตเป็นผู้ไปไหนก็ไม่มีทุกโลกะวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกคือโลกคือกายกว้างสองเจาวานาคืบเนี่ยอนุตตโรปุริสธรรมสา ร, รถิเป็นผู้สอนคนไม่มีใครเกิน่ะสอนคนจนทั่งว่าบรรลุธรรมจนไม่มีทุกนะคือคนโลานี้เกิดจากยีเดชกันหานะ แต่ปฏิบัติธรรมก็รู้แจ้งกิเลสตัณหาก็ไม่ติดในกิเลสตัณหาเหมือนกับดอกบัวเนี่ยดอกบัวนี่ก เ, นเกิดในโคลนตมนะสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเกิดจากน้ำํำจะบัน บ, นบานขึ้นมาแล้วเนี่ยถูกแสงอาทิตย์แล้วมันบานมันไม่มีโคลนตมเลยเ่ยมันไม่มีน้ําเลยใบบัวก็ไม่มีดอกบัวก็ไม่มีสวยงามจิตของคนก็เหมือนกันมันเกิดในกิเลสแต่มาบานบานแล้วมันไม่มีกิเลสมันสว่างสวัยอยู่ภายในเนี่ย มันแจ่มใสเขาจึงเอาดอกบัวมาเป็นสนัญลักษณ์ไงดอกไม้อื่ น, นมันก็ไม่เหมือนเพราะมันไม่ได้ผุดจากความสปกปรกแต่จิตที่เกิดจากความสกปรกนะเกิดจากกิเลสตั้งหาเกิดจากความรักความชางังความโกรธความเกลียดแต่สามารถทําให้รู้แจ้งได้เมื่อมันได้รับแสงอาทิตย์นี่ก็เหมือนกันเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนหลวงพ่อเทียนท่านทำเมื่อเช้านะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่เห็นร้าทีทางออกวันหนึ่งก็คล้ายๆว่ามันไปเห็นประตูมีแสงในน้อยเข้ามาในน้อยก็เลยไปผลักตรงนั้นนะพอผลักแปลก โอ้อันนั้นเป็นห้องขังคนโง่เนี่นั่นว่าออกมาข้างนอนเป็นเรื่องของคนฉลาดคือจิตเราเนี่ยมันหมกมุ่นจมมันวนเวียนอยู่เนี่ยกับความโลภ ก, กูหลงกิเลส ต, ตัณหาอะไรคะอยู่กับกายกับจิตในภพนนี้มันออกไม่ได้อ่ะมันหลุดพ้นไม่ได้แต่พอปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเดินไปเดินมาเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจิตว่างว่างมันมีอยู่นะเนี่ยไอ้ความสบายสบายมันมีอยู่ตรงนี้มันลงโลกมันมีอยู่นั้นเขาจะผลักตรงนั้นน่ะ เขาจะพยายามตรงนั้นเหมือนั้นเราปฏิบัติทำขึ้นผลักต น, น, นดันไปดันมาลูอยู่มันก็หลุดพวะเออาไปเป็นการรู้แจ้งก็ น, นั้นแหละเรามีความง่วงอยู่บ้างแต่บางทีมันก็มีง่วงไม่เหงาเนี่ยมันเริ่มฉเฉลียวใจว่ามันมีช่องว่างอยู่ตรงนั้นน่ะแต่คนไม่ฉเฉลียวใจไม่เป็นดันตรงนั้นเพิดเพลินไปเรื่อยหลงไปหมุนไปหมุ น, ม, น, ม, นมาหมุนไปมันก็บอกว่าเหมือนภายเรือในแอ่งเข้ามาวนไปวนมาเหมือนมดแดงไต่ขอบดงไปได้ก็ไม่ไกลกลับไปกลับมาวนไปวนมา ชีวิตเราก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่แบบเนี้ยไม่สามารถที่จะทะลุมิติอันนี้ออกไปได้แต่ผู้ฉลาดเขามาบอกว่าตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเราก็จะรู้จักโอ้มันไปตรงนี้เนาะสัจธรรมเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เราก็ขวนขวายละเราก็เริ่มเห็นโอ้เป็นอย่างนี้เองเนาะเฟก่ฟื้ฟนในที่นี้นะตั้งใจทําให้มันเข้มแข็งให้มันเห็นตรงนั้นให้ได้คนฉลาดเขาจะทําอย่างนั้นนะทีนี้ ถ้าแก้ไขตัวหงุดหนิดตัวอึดอัดตัวกรารมาชันทะยินดีพอใจเรามาอย่งนี้เราต้องอดทนนะไม่หิวก็ปล่อยอวางมีอะไรก็กินนะเขาบอกมีอะไรก็กินไม่มีอะไรก็แล้วไปนอนยังไงก็ได้ว่เาเราไม่ได้มาเน้นเรื่องกามาชันทะไม่ได้มาอยู่กับความไข่รูปรดกลิ่นเสียงนเนี่ยเราเอาแต่ให้จิตเรามีกําลังพอที่จะเดินทางนี่เฉยๆพอผลักประตูนี้ออกไปได้เนี่ยกําลังจิตไม่ใช่กาลังขากําลังกายนะ เมืคนเมื่อยไร้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อไหร่นั้นลงตามมาส่องดูบางวันคนไม่ค่อยไปเดินจงกรมไม่ร่วมกิจกรรมลงจาจะไม่มาเทศนะไม่เทศเช้าเทศเย็นปล่อยทิ้งไปคนไม่ร่วมกิจกรรมลงจาก็คือเลิกนะมันน้อยเห็นว่าคนคงเหนื่อยมากนี่มันเหนื่อยมากให้เรานั่งสร้างจังหวะเล่นๆไปเพราะมันเหนื่อย ให้อยู่กับความเหนื่อยให้มันสบายไปเสียดายไม่ต้องมาฟังเทียตฟังทำอะไรมันบุญวายอยู่กับตัวเองไปประนาณถ้าวันไหนมีความพร้อมเปลียงอือัตมาก็อนุเคราะห์เพราะฉท่านทั้งหลายมาเนี่ยอยากศึกษาเรียนรู้แต่ถ้ามีเวทนาเล็กๆน้อยๆแบบนี้หลายๆคนนะ่ะขยับตัวไม่ได้คือไม่ดีขึ้นเนะ่ะเคยช้ากับช้าทุกวันเนะี่ยไม่เคยดีขึ้นเนะี่ยคือไม่เคยมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยคือปัญหาของตัวเอง เราคิดว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามีเรื่องของสังขารอะไรประมาณนั้นไม่เคยใส่ใจแต่พอเราไปเปรียบเทียบบางคนคนขาไม่ดีก็มีคนแก่กว่าเราก็มีเด็กทำไมเ ข, เขาทำได้เอาพระก็เลิกเท่าเทกันกับเราอะทำไมทำได้ปกติเขาจะมีพระนะปกติจะมีพระมารอทีนี่สำหรับลงโทษผู้มาไปเดินจุ ก, กมไม่ทันเพื่อนเขาจะปรับไปถูสลาหลังนั้นด้วยหลังนี้ด้วยเอาไหมาปาดกวาด คน ไ, ไม่ทันเนี่ยเขาจะบังคับเอาโจนทั้งบรรจดจําคนไปทันก็ไปทันประมาณนี้นนะคือพูดก็พูดเถอดนะศรัท ธ, ธามันเขาขึ้นลงลงเขาก็ต้องใช้กับบังคับคนนี่ไม่บังคับเลยยากที่จะฝึกฝนได้ต่อเนื่องจริงๆเว้นไม่คนศรัทธาจริงๆแต่สิ่งที่บังคับนี่เพื่ออะไรช่วยเขาช่วยเขาเกิดการตื่นตัวนั่นเองให้มีความเข้มแข็งนั้นพระนี่ต้องรับภาระเยอะมากในการต้องดูแลโยมบังคับเนี่ย เพื่ออะไรที่เขาพาไปเดินจุกมือเขาบังคับให้มันไหวขึ้นไม่อยากให้คุณอยู่กับความจุกจิกของคุณเองอยากให้คุณเข้มแข็งอยากคุณเร็วกว่านั้นอยากคุณแอคทีฟอยากให้อยู่เนี่ยสิ่งไหนที่มันยังมาทำไม่ได้อยากให้มันทําอยากให้เข้มแข็งขึ้นอยากให้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นถ้าอยู่ด้วยนานๆเอามันเล่นสติมันก็อ่อนแอความกระฉับกระเฉงก็ลดลงถ้อยู่กันสองคนก็ ค, นนคุยนั่นคุยนี่ก็เสียเวลา เสียเวลาที่เราจัดอบรมด้วยเสียเวลาการพูดการคุยกันอะไรประมาณนี้นะมันยากเสียเวลาเวลาที่ทันมาด้วยคือเรารู้ว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยยากที่มันจะรู้ทำเนี่ยช่วยนะช่วยให้มันดีขึ้นประคับประคองดีขึ้นดังนั้นต้องทําให้มันดีขึ้นมาวันที่หนึ่งเป็นแบบหนึ่งวันที่สองเป็นแบบหนึ่งดูคนอื่นเขาะถ้าดูแล้วมันไม่ดีอื้มอาจามาก็บอกเพิ่มวันที่สาม ต้องให้เป็นธรรมชาติได้แล้วไม่ใช่วันที่สีที่หากลล็ลดลงลดลงลความขี้เกียจขี้ค้านเหตุผลมากขึ้นมากขึ้นจะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยยิ่งคุณอยู่กับเหตุผลก็คุณมากเม่ไหร่ก็คือจมอยู่กับความคิดความปรุงแต่งเวทนาพราฉะนั้นไปตายข้างหน้าทหารพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินไปตายข้างหน้าอย่าท้อถอยนะปกติเราปฏิบัติธรรมเนี่ยร้ยห้าสบคนให้เวลาถึง หกโมงเอ้ยห้าโมงสี่สิบห้าเนี่ยทันนะแต่พระนี่ตีะระฆังเร็วกว่านั่นวงตาดงอยู่วันนี้ก็ตีเร็วกว่าเจ็ดนาทีห้าโมงสี่สิบห้าตอนเช้าก็เหมือนกันครูบาตื่นมาแต่ก่อนที่สามตีแล้วอะไรประมาณนั้นไม่ต้องนะแดวงตาลุกมาตีเอาเองเนี่ยที่ที่สามครึ่งเนี่ยคือบางทีมันก็เพียบางทีมันก็หลายคนแต่ร้อยห้าสิบคนเขาก็ไปทันนะเขาไว พอเราเนี่ยมันไม่ถึงห้าสิบคนเองนะห้องน้ําเยอะแยะไปท่านถ้าจะทําเนี่ยนั่นค้นขวายตั้งใจเราต้องเกียรติไม่พระอาบน้ําปุ๊บเอา้าท่านมารอแล้วท่านก็เลือกพร้อมกันกันกบเรานั่นแหละเราถ้ามีเหตุผลเยอะๆนี่มันจะกลายเป็นมานในใจเรามานก็คืออะไรมนุษย์มนุิย์มาเข้ามาเข้ากัเป็นโทสะเห็นไหมบางทีอะไรที่มันชอบมากๆก็กลายเป็นราคะนี่เนี่ยนั่นต้องทําแบบไม่มีตัวตน เขาจัดโปรแกรมยังไงให้เรียนรู้มันทั้งหมดเลยรับรู้ฝึกฝืนอดทนสู้ะตั้งใจทําปัญญามันก็จะเกิดง่ายขึ้นเหมือนคนเขาพูดนะอะไรเกิดขึ้นดูมันศึกษามันเรียนรู้มั น, นเดินจมกรมนี่ไปเดินดูอะไรเดินดูใจตัวเองเนะี่ยไม่ได้ดูป่าดูเขาดูอะไรดูใจตัวเองมันหนึ่งเดินยากวันหนึ่งเดินง่ายมานหนึ่งเดินใกล้เดินไกลบางหนึ่งถอดรองเท้าบางทีไม่ถอดรองเท้าให้เหยียบน้าเหยียบอะไรเอาไปดูดิเป็นหยังไงจิตเนี่ย ถ้าคนเอาเป็นก็สามารถบรรลุถำ่ำคนเอาไม่เป็นก็จะงดหนิ ด, ดอึด อ, อัดเบื่อในนะมีเหตุผลแบบนั้นแบบไี้น่าจะทำแบบนั้นน่าจะทำบบ น, นี้นะนะมันไม่มีน่าจะอะไรหรอกสิ่งที่น่าจะคือน่าจะรู้ใจตัวเองเยอะๆนั่นแหละใจได้ถ้าสติเราเยอะๆนะมันเหมือนกับไฟเนี่ยมันจุดลุกโพร่งอยู่ในใจเนี่ย มันจะอย่างเออจะมีอะไรเกิดขึ้นมันอย่างเรียนรู้เหมือนเวลาเขาโยนกระดาษเข้ามามันก็ไหมโยนขอนไม้เข้ามามันก็ไหมโยนอะไรเข้ามามันไหมหมดอ่ะถ้าไฟมาแรงพอนะสติมันแรงเนี่ยแต่ถ้าสติน้อยหรือไม่ได้สติเลยเขาโยนกระดาษเข้ามากระถ่มเราโยนไม้เข้ามาก็เคาะหัวเราคือเขาแสดงทําอะไรก็ทําให้โปรแกรมอะไรก็ทำอึดอัดเป็นทุกข์เป็นนัยเป็นนี่ขึ้นมาแต่ดีเน่อเพราะสติมันน้อยไงเพราะสติมันน้อยเนี่ยมันรับไม่ได้สักอัน ลองดูดิเวลาตีละครสิบกวพระเขาปล่อยปุ๊บตีละครไปอาบน้ํารีบไปอาบเลยคนขี้คุยแหละมันไปไม่ทันเนี่ยชอบคุยนั่นว่านี่อะไรซะแล้วคือมันไม่รีบงานที่ควรทําไม่ควรควรจะทําไม่ทําไอสิ่งที่ไม่ควรทําดันไปทําเนี่ยคือปัญหามันเราไม่ต้องสนใจใครมาในนี่สนใจสติสัมปชัญญะเราเนี่ยพยายามระลึกรู้ พลังทั้งหมดที่มีที่จะกระจายมันออกเนี่ยเอามาใช้กับการเดินทางทางใจเนี่ยเอาเตรียมตัวดูดิมีสักวันไหมที่กูจะตัดสันดานดิบแบบนี้ออกไปได้ฝืนเป็นเนี่ยถ้าเราตัดได้ฝืนเป็นเราจะภูมิใจเนี่ยในสิ่งที่เราทำเว่าะกูก็ทําได้เนาะละได้ในในี้ใสสันดานแบบเนี้ยถ้าเราไม่รู้จักฝึกจักฝืนรอใครอ่ะให้พระพุทธเจ้าหรือมาเตือนท่านจะมาเตือนเราหรือพระพุทธเจ้า ตายไปแล้วเนี่ยพี่แต่ตัวเรานั่นแหละที่จะทํากับตัวเองนั้นสอนตัวเองให้มากมากเรามาอยู่กับหมู่คณะนี่เอาเขาเป็นครูสัมปวังโกสหายโยกัลยายนมิตตกัลยายนมิตรคือครูบาอาจารย์สหายคือผู้ปฏิบัติธรรมดูเขาเป็นตัวอย่างคนไหนขยันคนไหนตั้งใจสัมปวังโกสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมังอมงอม้งอาหารสถานที่อยู่ประมาณนี้เอา้าเราก็จัดให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยมันเหลือแต่คุณนั่นแหละ ที่จะเกิดปัญญาในการดูเป็นเอามาใช้กับการพัฒนาตัวเองนั้นตั้งใจเอานะมองทุกอย่างเนี่ยเป็นโอปะยียโกโอปะยียโกคือเห็นอะไรเนี่ยน้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมเข้ามาใส่ใจน้อมเข้ามาใส่ใจแต่ถ้าเห็นคนดีความงามอะไรมาเนะี่ยยังไม่ดึงเข้ามาอยู่ในจิตในใจตัวเองเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นโอปะยียโกพอไม่เป็นโอปะณียโก ประเภทที่สองต่อไปคือทำได้ด้วยตนเองปัจจตังเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่คนดูเขาโอ้เข้าใจแล้วทีนี้ทำได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจตังเนี่ยมันทำไม่ได้ดูเขาก็ไม่โอปานิจโกก็ไม่เกิดเนี่ยคำสอนอะไรสอนไปมันก็ไม่เป็นโอวนิจโกปัจจตังก็ไม่ไปอ่ะเร่อจิตนั้นต้องขยันขันแข็งในการที่จะเดินทางทางรัดโยมนี่สบายนะไม่ต้องไปฝึกเหมือนพระพระนี่ฝึกแค่เป็นเทพตาย กว่าจะได้คําสอนแต่ละอันกว่าจะเข้าใจกว่าจะประคองตัวเองได้แล้วมาสอนญาติโยมต้องเสี่ยงนะทุดงทุดันทุรังทุเลศหนะักกว่าจะมาเป็นเนี่ยของเรานี่เหมือนปอกกล้วยให้กินเลยเอทํานี้นะรู้สึกตัวนะทำนี้ทำตามเลยมันง่ายไอ้เนี่ยแล้วมันไม่หลงทางเลยเดินทางเพียงแต่ว่าอินทรีย์มันอ่อนนัเองอ่ะอินทรีย์ศรัทธาน้อยบิริยะความขยันความกล้าสู้เนี่ย อารมณ์หนักๆเนี่ยน้อยสติน้อยสมาธิมันก็เลยน้อยด้วยนั้นถ้าศรัทธามากวิญญาณมากสติมา ก, มากต่อไปสมาธิปัญญาเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเหมือนเรากินยาถูกพอกินปุ๊บถูกการถูกเวลารู้จักตัวอย่างกินปุ๊บไอเรื่องหายโรคมันเป็นโดยธรรมชาติมันเนี่ยดับกิเลสเนี่มันดับได้โดยธรรมชาติขอให้กินถูกเถอะมาพระทุกวันทุกวันท่านคืจะอ่านฉลากยาให้ฟังแบบนี้แนี้นลกินแบบนี้แบบนมั่แบบนนั้นใส่ใจเอานะ ช่วยตัวเองเยอะเยอะนะอัตยิอั ต, อตนโนนาโถเป็นที่พึ่งของตัวเองให้เยอะเยอะดูนะท่านสู้กับนางราคะยังไงเนี่ยถ้าสลัดนางราคะได้เมื่อกี้เขาคว้างอะไรมาโหดาา่าอะไรมันปุ๊บมันกลายเป็นดอกไม้เนี่ยดอกไม้คือเราไม่กโกรธใครเนะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นผ่านเข้าขขมาทางตาท้งหูก็เฉยได้ยิ้มได้นะง่งอิดอะไรมาช่ยกับมัน่ะโทสะเกิดเนี่ยเฉยกับมัน เคยเรียกว่ามีมีแม่โทรณีแม่ธรณีคือความหนักแน่นแผ่นดินคุณธรรมมันก็คือหนักแน่นนั่นแหละหนักแน่นนะคนจะตั้งบ้านสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างศาลเจ้าสร้า ง, างเอจะสร้างซ่วมอุจจรปัรสสาวะมันก็รับได้คนดีมันก็รับได้คนชั่ว ม, มันก็รับได้แผ่นดินเนี่ยนั้นใจเราเนี่ยต้องทําแบบเอาแม่โทรณีมาใช้เลยนะคุณธรร ม, มนเนี่ยไม่ใช่แม่โทรณีพุดมาจากแผ่นดินนะแต่เขาสร้างหมายถึงคุณธรรม มาลองรับได้แล้วก็มีมวยผมด้วยบีมวยผมก็คื อ, เ, อเกิดน้ํามาพอเร า, า, าอดทนมากก็มันก็อดทนตัวนั้นว่างอดทนมากรู้สึกตัวมากขึ้นเหมือนเราสร้างจังหวะหนี่เหมือนเส้นผมบนหัวนี่แหละเอามารวมกันเยอะๆเสร็จแล้วก็บีบรีดคือมันรวมกันเป็นหนึ่งเขาเรียกว่ามรคสมังคีเขาเรียกว่าเอกีภาวะมันเป็นหนึ่งเดียวมันรวมกันเป็นหนึ่งแหละศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาสินอะไรประมาณนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันจะเจาะแทงทะลุพวกไปเนี่ย เกิดการรู้แจ้งขึ้นมาในกิเลสเนี่ยแหะที่มันมาหนักๆ น, นี่ที่บอกว่าง่วงมาก็สู้มาเลยลองเสี่ยงดูที่ปะทะดูมันเบื่อมาปะทะความเบื่อลองดูดิมันนุ่นนิดมาปะทะความหมู่นิดเจ็บแข้งเจ็บขามาปะทะความเจ็บแข้งเจ็บขาลองดูดิสู้ไหวไหมเนี่ย น, นะกิเลสของคนเนี่ยมันจะไปหลบอยู่ตรงที่เหตุผลเรานั่นแหละยิ่งเหตุผลมากยิ่งเราชอบมากอันนั้นแหละมันอยู่ในนั่นแหละเมื่อคนติดกินติดเดิม ติดพูดติดคุยลองเลิกดูที่วันหนึ่งอธิษฐาน ด, ดูตั้งแตเช้านี่กูจะตายไหมถ้ากูไม่คุยเนี่ยมาลองดูดิให้มันรู้ไปนี่มันตายเพราะไม่ได้พูดอะไรประมาณ น, นึงตายเพราะกาหนดรู้นี่ลองดูดิลองดูดิถ้าตั้งใจกําหนดรู้นะวันหนึ่งตั้งแต่เช้าถึงค่าเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะมันเกิดปัญญารู้แจ้งรูปนามเนี่ยแต่ที่มันไม่รู้นี่คือมันควบคุมความคิดตัวเองควบคุมความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้มันอดพูดอดคุยไม่ได้มันก็ไหล เดินไปเดินมาในใส่ใจและลึกรู้เหมือนทํางานโอเนี่ยทํางานนอกเวลาปฏิบัติทํานอกเวลาก็คืออันนี้รูปแบบนี่และลึกรูก้นอกเวลาก็คือเดินไปเดินมาและลึกรู้ไปหลีกเลี่ยงการจะเดินไปหาคนนั้นคนนี้เนี่ยถามว่าคุณได้อะไรคุณไปหาเขาเนี่ยคุณคุยกับเขาแล้วคุณได้อะไรมีแต่จิตเสื่อมลงเรื่อยๆเนี่ยสติวันนี้ก็ได้แต่ความคิดได้แต่ ง, ง, งแตงงแตงงแล้วไปคุยกันอีกแล้วได้อะไรได้คุยเหรอหวังแค่นั้นหรือมาที่เนี่ย ไม่น่าจะใช่ครัศักยภาพมันมีแต่ใช้ไม่หมดเอาแม่ทรณีออกมาใช้ดิน้ำที่ไหลออกมาจากมวยผมทับมานะันคือการรู้แจ้งเกิดปัญญามาเข้าใจแจ่มแจ้งไปหมดนะ่ะโอ้เป็นยิยยยนเองเนาะนี่แล้วพวกนัก้นมันก็จะสลายไปเองเห็นไหมพวกมานตัวดำๆมันมันสลายเลยเพอเกิดปัญญาอดทนถึงที่รู้สึกตัวอดทนได้สตินะแต่ถ้าอดทนอดกลั้นเฉยๆเนี่ย มันไม่เกิดนะได้แต่อดทนได้ข่มไว้แต่ถ้ามันสลายไปเนี่ยเหมือนการเกิดปัญญาการเกิดปัญญาเราจะเป็นแบบนั้นแหละมันจะหายวับไปเลยเฮ้ยแบบนี้ก็มีเลยวันนั่นนั่นคือน้ำไหลท่วมทับมานเมื่อทีทับได้แต่โทสะ ัเพลงที่เขาร้องเนี่ยแปลออกมาคือเขาพรรณนาถึงความงามของร่างกายสังขารพรรณนาถึงการมาราคะมันคือความสวยงามของกานของเพศคารวาสกานอยู่กับกิเลสตัณหานะว่ามันดียังไงมันสวยงามยังไงสนุกสนานเปิดเปิดยังไงท่านปิตทธา ท่านไม่ท่านจะจากไปซะท่านมุ่งหวังโสดาบันจะดับทุกข์หรือทาไมท่านมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องดีนะสวยงามนะทุกวันน้เราทุกวันนี้ถ้ามไม่ถึงกับเต้นขนาดนี้หรอกไปแล้วเต้นนานอันนี้ยได้ พระพุทธเจ้าตัดสรุนตัดสรุอารมณ์ของตัวเองนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะไม่รู้ดินฟ้าอากาศนะเห็นการเกิดการดับราคะรรงราคาคือราคะนั่นแหละนางตัณหาก็คือตัณหาความอยากนั่นแหละอระดีคือตะ ร, ระตีอรดีก็คือความโกรธนั่นแหละนั้นความโกรธความชอบความอยากนะทําไมท่านคิดถึงพิมพาลาหุนไม้ประมาณนะั้น ดูนะท่านเฉยเลยงูพวกรึเปล่าเนี่ยมันง่ามเลยนี่ก็ลักเลยนี่บังมันมายั่วยวนเลยบัง ถ้าบรรลุทำในหัวจะออกแสงแต่ถ้าไม่บรรลุหัวก็ไม่ออกแสงนะถ้าว่าหัวออกแสงเนี่ยมันเป็นฉับพลันลังสีคือสีจะออกหกสีฉับแต่ว่าแต่ว่าหกปัญจะแต่ว่าห้าคืออารมณ์ที่กระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพอกระทบแล้วมันจะสว่าง สภาวะจิตอันนั้นคือมันสว่างสวัยเขาก็เลยวาดรูปเป็นเหมือนแสงออกที่หัวคือมันจะโล่งตลอดเวลาจิตอันนั้คือคนถ่ายทอดเนี่เขาเข้าใจทำอ่ะเขาทําดีมากจริงๆพระพุทธเจ้าเดินไปไหนก็หัวไม่มีเสียงนะแต่ว่าบ่งบอกถึงสภาพของความโลง่งความโปร่งว่าจิตมันเป็นแบบนั้นมันสว่างตลอดไงแต่นี่มันยังไม่โลง่งเนี่ยหัวยังทึบๆอยู่ คือจังหวะที่รู้สึกตัวชัดๆมันจะปะทะกันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละเวลาเราทำเนี่ยอันนี้พยามาณพยามาณก็คือไอ้ตัวชอบสบายนะั่นแหละท่นโล่งฟงขึ้นมาแล้วเนะี่ยมันไม่มีในหัว ี่ของอินเดียทำเลยนะเนี่ยว่าพยายามของข้าหมายเป็นผลข้าต้องขัดขวางการมาเป็นเพียงของเศรษฐะให้ได้ให้ดูนี่รู้เศรษฐะ ดูว่าพอจะป่วยแล้วอ่อนแอแค่ไหนกันสุดโทธนะก็จะถึงจุดสุดท้ายของชีวิตแล้วสิ่งเดียวที่เขาปรารถนาก็คือให้ลูกชายช่วยไปทําพิธีศพให้แล้วเจ้าเป็นลูกจะไม่กลับไปทําหน้าที่ของลูกเลยเชิญเลยเนี่ยปฏิบัติไปมันก็คิดถึงพ่อไงอันสุดท้ายเนี่ยคิดถึงคนนั้นคนนี้เนี่ ย, ยเรียกว่ามารขอเราก็เหมือนกันนั่แนแหละคิดถึงพ่อมันจะางนี้พ่อจะเป็นยังไงน้อพ่อจะเป็นยังไงนะ่ บางคนเด็ดขาดลากพ่อมาที่นี่เลยเอาศีรถะมาด้วยบางคนเอามาฆ่าในวัดนี่เลยก็มีนะะดีมากดีมากเป็นผู้มีปัญญาเนะี่ยอับแน่แล้วใจคอของเจ้าจะมา น, นั่งประเพณเพียนแล้วเห็นพ่อตายอย่างนั้นเหรออืมศีรถะตอบข้ามาสิทาไมจะถึงนั่งนิ่งเล่าตอบมาสิชีวิตและความตาย เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ใดเกิดมาก็ย่อมต้องตายความต้องการและความปรารถนาของคนไม่มีที่สิ้นสุดเสรษฐาธะลุกขึ้นเถอะเจ้าลืมจะโสธราเมียเจ้าและราหุ่นลูกของเจ้าไปแล้วหรือ ย, ยังไงถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็สร้าง เ, าเล้วแหลวตั้งสิตายก็สร้างแล้แหลวเนาะเป็นธรรมศาสตรเกิดมากกับตายก็เก่าเหนตัวยัว่าสร้างอย่างมันอ่ะ มันยังบอกว่าลุกเดี๋ยวนี้พนะลุกคือบอกไปเทาเนี่แหละออกจากทางจงกรมนี่นะไปกินน้ําเข้าวเดี๋ยวเห็นอี่นั่นถือขวดน้ํามาแล้วมาอย่างนี้มาหายน้ําเาลงไปว่านึกมาอีกแล้วทีนี้นี่มันโมจิติมานมันบอกให้ออกจากทางจงกรมแม่มันมืดแล้วดีไหมมันยังมาอยู่ก็เลยไปเข่าห้องน้ำเพราะท่านอย่างเงี้ยกับอยางเงี้ยหลุดหั่มันนะก็ได้โอ้ยมันเป็นตนานท์ทีเดยวยังไม่ไปอย่างไรอยู่จนกระทั่งว่ามัน ขาขาดผมแหมตายเป็นตายเมือ่อนี่คุนรองกูสูตายแล้วเมื่นี่ยู่เพอบันันเอาอธิษฐานกูทีบอกทางจุกลมตายไปตายเห็นบรรลุกะนี่เห็นมรนบอกนีนม่ม้ม่านมั้ม่านก็นคือคว่ำคิดเนี่แหละคว่ำคิดไฟบอดีมันที่บอกว่าออกจากทางจุกลมลุกจังวันนั้นเจนะ่ะลุกมันจะให้าลุกไปเห็นไปนีนะ่ะคือหลวงพูดสั่งเจ้านายแบกมักจกไปแล้วไปเสียหายเพรานั้นไหเดินจุกลมไปห้อย ต้นไม้นี่ก็ บ, บังงามเราไปโคตรันนะไอพวนี้อ้าม่านหลอกไปทำความดีอยู่พระปานนันและมันก็จ บ, บเป็นแล้วอืมจน้าเพรงมาถามลูกตามีนำพิง่งบ่อยากเอาไปเฮ็ดยาเอาอมา่านเขาก็าเป็นท่นหูนจักตีด้หนิบน้าจนาเพยงไปงมาอยากยอมพาเอาเนี่ยจกล่มอยู่ ก, ก็ได้ทิมแม่มาโลดตัดเถม่อนบดพยาบาลมาแล้วไม่รู้หรือมันสั่งนะแล้วมันสั่งเสนะมาหนีตัวนี้เบิงแน่เน่มันแต่งตัวนี่ มันบ่พ่อใจที่เจ้าสิบรรุธรรมนี่ยเนี่อยู่กับปัจจุบันให้ได้ต้าที่ต้องดูแลพวกเขาเนะ่ยเพราะเจ้าแต่งงานกับนางยาโสธรากาลังร้องเรียกเจ้าพระสวามีพระสวามีจะไม่สนใจใหญ่ดีบ้างเลยเชียวละ่ะการตัดขาดจากพันธะทางโลกเท่านั้นที่จะพาไปสู่การพ้นทุกได้พันธะแห่งความรัก ไม่อาจหยุดยั้งข้าได้เสรษฐะกรุงกามิลพัทของเจ้าทูกขาศึกเข้ามารุกรานแล้วนะราชวงศงของเจ้าและประสบนิกรของเจ้ากำลังตกอยู่ในอันตรายพวกเขาต้องการนักประูุกลาหารมาช่วยเขาข้าบำเพ็ญเพียรข้าทรมานร่างกายเพื่อต่อต้านความเกลียชังและความรุนแรงเมื่อคนค้นพบสัจธรรมและความรู้ขั้นสูงสุด ความรู้สึกเกลียดชังและความรุนแรงก็จะมาลายไปเองและความรักก็จะบังเกิดขึ้นข้าแพ้แล้วท่านช น, นะข้าแพ้ท่านแล้วขอให้ท่านได้บรรลุโสดาบันท่านคือผู้รู้ท่านคือพระบรมศาสดา ลูกพอ่อวิตกเรื่องอะไรปล่าพา่ะย่ะค่ะหม่อมชัไม่ได้วิตกเลยพ่อได้ยินมาว่าลูกเอาแต่หมกมุ่นอยู่เพียงตามลำพังทำไมอย่าเพิ่งคร่ำครึงกับชีวิตมากนักเลยลูกเกยจะเป็นราชกุมารคราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่มากการเมืองแล้วก็อำนาจตัางหาก ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเจ้าแ้าอยู่นะอย่าเข้ามาใกล้ใครเลยข้าไม่ชอบแบบนี้<ม>พวกเจ้าออกไปเถอะระเจ้ากุมารสมงไม่พอพระทยเรื่องอะไรดื่มนี้เถอะเพคะจิบน้ำจันจะทำให้พระองค์อารมณ์ดีขึ้นนะเพคะน้ำจันล่ะมันจะช่วยทำให้จิตใจข้าสงบได้จริงๆอย่างนั้นเหรอ เขถือว่าเป็นหนี้บุญคุณของคนคนนี้นะเกิดมาละหาวิธีออกจากความคิดได้เนี่ยออกจากความโลภขรุกขรนได้เนี่ยแล้วเราเดินตามรอยท่านไปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่สมัยพุทธกาลนะรอยพระพุทธเจ้าคือรอยคือความรู้สึกตัวคือสติเนี่ยราชกุมารให้ด่าเราต้องลบอดีตเขาและให้ชีวิตใหม่แก่เขาแลาต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาอันนี้พวกกุศลและธรรมเลยกุศลจิตเข้าจะทําให้เขา ได้พบกับวัยชราให้พบกับชีวิตให้พบกับความตายเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและเกิดปัญญาขึ้นมาจะต้องบรรลุถึงโสดาบันแล้วเขาจะไม่มีความต้องการอะไรอีกต่อไปและการเดินทางไปคนพบชีวิตจะเริ่มขึ้นเราจะเริ่มงานเรียกขบอกว่าเทวทูตไงออกจากความเจ็บปวดอย่าท้อแท้ไปเลยลูกบอกพ่อมาสิเจ้าต้องการอะไรพระบิดา ข้าอยากเห็นชีวิตภายนอกพระราชวังบ้างคนเดียวนี้ก็จะเป็นแบบนั้นแหละรักลูกอยากให้อยู่พระราชวังไม่อยากให้มันบรรลุธรรมอย่างเนี้ยอยากให้มันเรียนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครับเป็นรวยมีผัวดีๆมีเมียดีๆไปเนี่ยแต่ไม่ได้อยากให้ดับทุกข์ขออนุญาตให้ลูกเดียวเพราะพระพุทธเจ้าได้ทําไม่ดูอยู่เราดูว่าเราก็เกียดตช่างพระเจ้าสุโธธนะนะตอนเนี้ยแต่พอเราเองเราก็คือพระเจ้าสุโธทนะนั่นแหละได้สิลูก ราชกุมารเศรษฐาจงเจริญ <Leben urs> <mi> ราชกุมารเศรษาจงเจริญราชกุมารเศรษฐาจงเจริญมนุษย์มีความภาคภูมิใจในความงามและความอ่อนหยนศิษฐ์ทัตถะจะต้องทนทุกทรมานเพราะสิ่งเหล่านั้นเจ้าจะต้องเข้าไปใกล้เขาในร่างของชายแก่คนหนึ่งและจะทำให้เขาเห็นว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเป็นเช่นนั้น ชนะอยุดก่อน <c oughs> ทีนี้ข้าจะต้องลงไปในร่างของคนป่วยแบลนนี่คือแผนขั้นที่สองของเราข้าจะเป็นคนลงมือเองจะได้เห็นร่างมนุษย์ในสภาพเช่นนั้นสิทธัตถะจะต้องเจ็บปวดชนะดูเรื่องนนั่นมนุษย์ไม่ใช่เหรอทําไมเขาถึงเจ็บปวดทรมานแบบนั้นล่ะชนะหยุดก่อน ในอินเดียเนี่ยมันเมืองเมืองขอทานเนาะไอ้ทั้งไห้ก็จะเห็นแต่คนเกลียคนเจ็บคนตายแบบนี้แหละมันเยอะนะคือไม่เขาจะไปกวาดออกก็ตามอะแต่มันเยอะมากมันทําให้เกิดความสลดหูดหูใจว่าชีวิตสักวันหนึ่งเราต้องเป็นแบบนี้ของเราก็เหมือนกันเลยเราไปงานศพเนี่ยไปไม่รู้กี่รอบแล้วคือเกาคือเกาไปสุดไปมากเท่าไหรก็คือเกาแต่งโตัวโ้อัดลาดไปก็ได้ใส่สอยใส่สุดดําคื อ, อยุบไปเปิดงานไปปิดงาน ไปว่างดอกไม่จันทร์ว่างแปดรอเทือผกภูเขาสลดทนหูใจยังคือเกากบมากกรไดเฮ้ยกูสลดใจที่กูสิตายได้มื่อนึงคาถาภาวนาเวลาไปลดน้ําศพอะไรแอวัตสังมายาบริตพังอวัตสังมายาถ้าภาวนาจนขึ้นใจแล้วจะไม่เกิดแย่เจ็บตายป้องกันผีได้ด้วยเขาบอกแต่ความเป็นจริงอวัตสังมายามริตังมันแปลว่ากูกรสิมับหมาขึ้นเกันนี่แหละกูกระสีมับหมาขึ้นเกันนี่แหละมันแปลว่าสันนิษฐ ตายคือกันกูนี่ก็ได้ว่าเกินนี่เด้อเดี๋ยวก็สิไปน้าหลังดอกแต่ก่อนเจ้าก็ ง, ง่ามคือข่อยอีกสักหน่อยข่อยจะขี้ลายคือเจ้าแปลวมานเนี่ยอวสังมายามายาแปลว่าเราข้างหลังก็จะเป็นเหมือนท่านเมายามริจตพังแปลว่าตายคคักตายคักมาทูไปอืมแต่เราก็ไม่สลดหดหูใจพ่อไปแล้วก็โก้ไปกินข้าวต้มของหวานเลกเล็กน้อยน้อยให้พระสวดพระสวดเล็กไม่สวดยังออไปตามเรื่องกันนะ กุตซาล่าทำ ม, มากุตซาลากุตสาลากุติกับสาลานะเอาอยุพภัสนั่นเดยเนี่ยมันเรื่อเกิดปัญญาเด้ลูกตาไปเทิงานศพให้มหาวิไลคุยกันซ้ำไหมอาจารย์ในมหาวิไลคุยกันในลูกตาว่าขอใช้สิทธิ์ขององค์ปาชกสั่งให้พวกท่านทัง้งหลายที่นี่มณฑลมามาตั้งใจฟังดีๆคิดว่าท่านทัง้งหลายคงมีปัญญาได้ยินว่ามีศาสตราจารย์ก็เยอะนะอย่ามาละญาติซ้ำนักเลยครั มิตรจัดเขาว่าเป็นนิมนต์พาบ่าทั้ไหลายมาเทิดเขาว่าตรงต่างเทิดซะสมองครงพอเทิดจบมาภาคกันลงกราบเขาสาบซึ่งเขาบุคคไดนีนิ่นั้นไปเทิดน้าซุมม่านเลยเนาะให้มานฟังเขาก็ตั้งใจนันพันเอกอย่างบวกนั่นคือเขาไม่รู้อ่ะพวกไม่รู้คือไม่รู้พวกไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจ ใหล้ลุงตายจังบอไป่งานศพงานนั้นงันนี้เพราะวอ๋อไหลสาระไหลคือมันไก่จากสัจธรรมที่เอื้อมมือนี่แล้วเขาบปได้ไปหาเงินเขาบปได้มีความคึดว่าเขาได้ปัดใจไปนั่นไปนี่ไปนิ ม, มนต์ลุงตาขึ้นทอดบางสกุลแตามาพอดีไปปากรตัวไล่สาละแบบนั้นแตม่มาจึงตัดออกเพื่กินนิ ม, มนต์บริวารใา่ยังเพราะว่ามันโมเมนต์ทางที่พระพุทธคนสอนไม่ใช่ทางที่พระพุทธท่านพาทำ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะภาพประเพณีก็ทํากันไปก็ไม่เป็นไรแต่จะให้ไปไม่ได้อยากไปถ้าเลือกได้คือไม่อยากทําเรื่องเดียวอันนี้เพราะมีเวลามันน้อยชีวิตเนี่ยอยากค้นขวายเรื่องนี้ถ้านี่มลไปงานศพให้ไปเทศเออจะไปไปแสดงธรรมธรรมกถานนี่อันนี้ไปงานอะไรก็มีแต่เมา่กับเมาไปเทศอย่าง ไปเพื่อสลดหดหูใจแสดงทำมิกระทำให้คนเข้าใจสัจธรรมให้ปล่อยว่ามันผมไม่มีโอกาสได้แสดงไปกระไรมันไม่เกิดประโยชน์เลยเนี่ยมีแต่ไปเพิ่มอะไรเพิ่มศักยภาพเป็นหน้าเป็นตากับเจ้าภาพซื่อๆนะมันไม่ได้อะไรนี่เขาบอกว่าคนเราเนี่เห็นท่านอาจจะเห็นตัวเองก็ได้ว่าแก่เป็นนะเนี่ยเพิ่มเจ็บก็มีนะนะอีกหน่อยก็จะตายแล้วเนี่ยเพราะว่าเนี่ยแล้วรับได้หรือนี่เตรียมรับหรือยังว่าตายแล้วจะไปไหนนี่กูอุ้ยตาย ตายแล้วจะไปไหนเนี่ยเรามีความเชื่อว่าตายแล้วจะเกิดอีกทําไง ม, มันจะไม่เกิดอีกล่ะถ้าเกิดมาแล้วเป็นแบบนี้ละแย่นะเนี่ยท่านสลดถอหูใจของเขาเนี่ไปแปดสิบงานศพเลยแม่ยังคือเกา่าอยู่อืยังคือเก่าประธานแห่งคักหลายเวลาลงตาเทศนี่เพืน่นที่ขี้กันหอกกินไปฟั่งไปลงตาห้าอาส่วนมากประธานนะไ่อยากฟัง่งจังพ่อไม่อยากไปงานอยู่พ่อปนันมนบานบา อ, อกบวชที่เถื่อมันโง่ไรไปงานใดก็มีแต่ไรสาล่ายู่ ตั้งใจแล้วเนาะบัดนี้ถ้าสมมุติว่ามีพระแบบลงตาหลายๆคนไปงานไหนประเทศให้ฟังให้เข้าใจสักจะทํางานนี้เขาก็เท ศ, งาน น, เาเทศงานนั้นเขาก็เทศโอ้ย ไ, ไปสิบงานนี่มันอยากบรรลุกว่าได้คนแหมนันนี้เพราะ่มี่ยังอาจริญพรท่านเจ้าภาพก็มีประวัติชั่วพ่อตายบปต่อไปแต่งเขียนประวัตินะี่ได้ทําคุณงามความดีสร้างศาลาทํานั่นทำนี่นนถาวายเกิดพระอะไรเนะี่ยสองโอ้ยมันตาอ่านเห็นย่งัง เล่าดียุกั็มูจางตัวเล่าดีก็เลยบ่ดีกับบ่ดีมุจางอันเบเบา้าๆซ้ำไปในเมียหน่อยมากกับบ่บานไมหั ẳ n มันมิมัดเห็ะนไะมในเมียสองพนสามพนหนูเนี่ยเอาแต่ข้อมดีนะมันก็สมัยของนวนแหละเมอะไรจากเมโสโปเิเมียเบิงต้นป้าพีรุษย์กระจกเขียนคำพี่ยกย่องของคนในอดีตนะป้ายกระจกวาเนี่ยต่อร่องกับยมมาถูกเ ท, ทวดาม อันนี้ก็เหมือนการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะครัให้เข้าใจสัจจะเดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมให้เขาสัจจะปฏิบันเนี่ยไม่ต้องพึ่งเลยเวลาตายเวลาตายเราคือตายคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่กับหลวงพ่อเทียนในยุคแรกๆเวลาเขาตายเนี่ยเขาไม่ให้ลูกหลานเขานิมนต์พระมาสวดนะเขาให้หามไปทิ้งเลยไปฝังเลยไปเผาเลยเขาใส่เสื้อไปเลยก็พอเขาว่าเขารู้ที่ไปมันแจ่มแจ้งแล้วมันเข้าใจแล้วไม่จำเป็นต้องอนิมนต์พระดูดิ ว่าเน่าในเฮ็ดนหลวงาเผาศพของคนนั้นคนนี้นี่หลวงตาจิตตั้งไว้ดนแต่ไม่ได้บอกไปสวดศพประเด็นอย่างเนี่อย่างศพพระเมื่อกี้เหมือนกันจริงๆคือตั้งไว้คือเอาไว้สอนคนนี่เฉยสอนคนเราแสดงทําให้ฟังวันที่หนึ่งสองสมสีห้าหกเจ็ดเมื่อกี้นี่ตั้งศพหลวงปู่นี่คนเข่าใจธรรมะที่มาปฏิบัติธรรมเป้นลายได้ปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าวิาวปัสนาอุทิศคนตายก็คือตายตั้งไว้เฉยแต่อุปกรณ์เป็นสอนคนเป็นเฉยที่วัดเนี่ยไม่ได้เจตนาเห็นไหม ตั้งศพพระบางวัดที่เขาจะร่ํารวยตั้งผู้บริจาคที่นี่ไม่มีไม่เคยรับบริจาคไม่เคยแจกซองแต่ว่าโอกาสหน้าว่าจะแจกอยู่ไม่ได้แจกซองนะงานโสดพระก็ไม่ได้แจกที่ไม่เคยแจกไม่เคยประชาชนสะพาหาเงินแลไม่มีเีหลวงตาคนเอาเงินมาถวายเนี่ยนี่นี่นั่งมีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปจ่ายวันละหมื่นละหมื่นละหมื่นค่ากับข้าวค่าอะไรเนี่ยไม่ต้องมีโรงทานคนอยามาทำโรงานไม่ต้อง มันจะไร่แะเบียบบางแห่งบางที่ตั้งโรงทานเต็มงานปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็เหงาอยู่น้องคิดหลายง้วกูไปหากินกาแฟกูนะออกไปได้ยังไงแมออกไปกินมาม่าอีกคนขอคนทําทานก็งบประมาณมีแล้วสามหมื่นเนาะวายจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปเอาขวดมากขวดมากให้ให้ขวดน่ะโค ว, ะวละนิดบางทีก็แจกไปเอา้าลุงปูเปปสีละขวดหนึ่งด้วยบุญในเดิม บางคนเอาแตงโมมาเอานะหอบไปหอบมาเขาไปสางจะไว่ า, าจะไหก็เดิมะเดิมจุ่มไปจะไงโอ้ยออกไปเดิมอย่งันก็กลับไปกลับมาแล้วในศาสนาเจริญไหมเนี่ยพวกตั้งโรงทานนี่นทำให้าศาสนาเสื่อมเนี่ยมันทำลายคนปฏิบัตทิทำโดยธรรมชาติเลยแต่ของเรามันบ้าบุญไงแต่ไม่รู้จากบุญที่แท้คืออะไรเองอาตมาก็มีศักยภาพนะที่จะพาญาติโยมไปทาบุญทาทาน ที่เั่นที่นี่แต่อัตมาต้องดูก่อนว่าทําจริงไหม น, นี้ถ้าทําไม่จริงเอาไปทานให้กับคนโง่โงเนี่ยไม่จำเป็นน่ะอัตมาเอาไว้ให้เอาเงินเอาทองเอาเก็บไว้ให้เขายายหมานเนี่ยซื้อกับเข้ามาเลี้ยงคนปฏิบัติธรรมที่วัดนี่จะไม่ดีกว่าหรือเพราะที่นี่เขาทําจริงกว่าน่ะมันไปแสวงหาชื่อเสียงเฉยๆอะไรประมาณนั้นมันไม่มีความจําเป็นบางทีแต่ยอดโยมก็ไม่ว่าที่ไหนที่ไหนนะส่วนมากจะเป็นโรงทานโรงทานน่ะมึงรู้นี่มัดกัดนี่ มันโบวินหัวพระกรรมฐานได้คือมันเป็นธรรมชาติเใครจะไหมอันเนี้ยมันเป็นธรรมดาโอบรรลุธรรมแล้วมักกัดบบเข่าคือเก่าห่าละมันกกัดคือเก่าขั่นคือเก่าน่ะแตี่ยวว่าโบขึ้นอย่างน้ามันหน่อยจับออกไปบางทอทิมไปซื้อทิมไปเล็นรูปสังเพิ่นกระปุ้ยว่างได้เพิ่นก็บอกว่ามึงเถอะลงไปเพิ่นก็เปิดหาขึ้นกันละมันมันอะไยแบบง่ายๆอ่ะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไร แต่เราไปทําให้มันมีอะไรมากสิทรงวิญญาณนั่นน่ะทรงวิญญาณอ่ะนี้ไปเห็นโยมคนหนึ่งน่ะอธิษฐานอยู่ก่อนจะเดินจุกลมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทีมาช่วยลูกช้างลูกตาว่าวายหาไผ่ลูกตาทำไหว่เจ้าที่เจ้าทางของตาไปให้มาช่วยดลบรรดาให้เกิดปัญญาหน่อยเจ้าหูจักว่าเจ้าที่เจ้าทางยุใสได้เนี่ยคอยยุนี่ข่อยขึ้นบ่เห็นจะเถื่อลกตาเอ้าก็อยู่สิงสถิตน่ะเุ้ยดิเมียนดีกว่า เจ้าที่นี่คือหลวงตาเนี่ยเธอไปดูนอซอสามดิเขาบอกนะฉันเป็นเจ้าของที่คขาคอยไล่หนีนี่ได้หนีได้นี่บอต้องมาวายพี่เจ้าที่ของจริงอ่ะเนี่ยอันนั้นมันอันนั้นืจอให้เกิดกําลังใจแต่มันบ่มีดอกนั่นเมื่อนั้นลูกค้าเทวดาทุกอน่างเดี๋สิมันจิมาใส่เนาะเพราะว่าความงบเงิเวลาห้าลู่แจ้งแล้มันจะเปลี่นได้แบบนั้นแต่มันบ่ทะลุมันที่เป็นแบบนั้น เดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบนั้นแหะเราสงสารสงสารต้งสารคนที่เคยเจาะงอมง่ายสงสารที่คนบ่เกิดปัญญานะมันเลยยากลูกถากไ อ, อยากซอยซอยคนที่เกิดปัญญาแต่คนบ่เกิดปัญญ า, าก็ยากเขาบ่เข้ า, ขาใจฮะขอ ง, ขอ ง, ของเธอก็ได้อ่าดูต่อ น, นั่นีอง น, นะ แต่ค น, นะนั่นใครแต่งานเขาเรายังไม่เสร็จสิ้นหรอกนะมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองราชกุมารเริ่มเกลียดและเบื่อหน่ายความรู้ราและความสุขสบายทั้งปวงแต่สิ่งที่ยังเหลือเราต้องมาดูกันเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนที่ต้องทรมานตนและบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุโสดา ถ้าสมมติจิตเราเนี่ยมันมีความรู้สึกนะมันรับรู้ว่าเราจะต้องเกิดเนี่ยเราเกิดมาเป็นหนี้เนี่ยมันจะแก่อยู่เนี่ยจะเจ็บอยู่เนี่ยแล้วมันจะตายอยู่เนี่ยมันคิดแต่เรื่องนี้จิตมันเห็นอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วมันจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับโลกไม่เอ้ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะคือลูกตานี่เห็นทุกอยู่ฝันนี่มันจะแสวงไปหาโลกสิมันมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ของเรามันดูไม่ออกนะ ไปเยี่ยมย่าิน่นดไปเยี่ยมปุณิย์ด้วยเราเป็นอย่างเราโซ่โซ่แปลว่าอย่างโซ่กับโซเซเนีแ่แหละโซ่โซ่โซ่ไปว่าแสดง S H O W นะโชว์ว่าน่าไหวเทานันเราโซ่ได้ไปเยี่ยมแล้วเนี่ยเราโซ่คือเราแสดงสศีลธรรมอะไรแก่แล้วเจ็บแล้วไครโอ้ยมาเยี่ยมตีนี่แ ม, ม่ เ ข, นะดด เ, เขาโซ่อะไ่ะไปเบื้งแล้วก็สรดทดหู้ใจแน่ไปโซ่เขาโซ่เปนอะไรอันนี้อโอ๊ยตายก่อนด้วผมพระท่านใครยังไงไปเยี่ยมเขาโรงพยาบาลสลดทดหูใจอาจารย์พุ่นศักดิ์สุฟินะอยู่จังหวัดแพร่เนาะพ่อท่แล้วเลี้ยงลูกไม่เหมือนใครนะวันปีใหม่เนี่ยเขาปฏิบัติธรรมแล้วปีใหม่เขามีลูกลูกยังไม่โตเท่าไหร่เนอะพาไปเที่ยวแต่ไปเที่ยวที่ไหนรู้ไหมโรงพยาบาล หน้าห้องฉุกเฉินแล้วดูอีกสโนยรถเขาวิ่งเข้ามาแล้ววาวาวาวาวา ว, าวาออกมาแล้วขา ข, าขาดออกไปข้างนึงเบิ้งรู้นี่มึงเบิ้ ง, งอามันไปเที่ยวปีใหม่นีเห็นบ่าลูกแกก็พาลูกวิ่งเข้าไปถามเป็นอะไรมาครับอุบัติเหตุเมาใช่ไห ม, ไมครับหนึ่งลูกกระซึมซรับยินเล่าเม า, ม า, ม า, มาอกอกมาอีกโนยมาอีแล้วคันหนึ่งพอกลับมาบ้านแล้วนะสร้างจังหวะใหญ่เลยลูกน ะ, ะเห็นไหมของเราไปเที่ยวที่ไหนปีใหม่เนี่ย ไปดูเกิดแก่เจ็บตายไหมดูรรมาทูดไหมดูเทียวทูดไหมมันไม่ได้ไปดูจต่มันไปเบื้องอย่างเตง็นจะบะจับเบอะไปโผลหมอลำซิ่งหมอลำซึ่งไปสัน่นสงการส่งเกิดนี่โหดนําพราะท่าแทนที่มันเขาเขาฉลาดเขาพาลูกเขาไปดูแบบเนี้ยดูห้องถูกจะดูโรงพยาบาลมันสลดทอดหูใจเพผ่้ได้เป็นในเขาปลูฝกฝังลูกเขาเป็นนะให้มันมีความคิดความอ่านด้านสัจธรรมเนีย่ย แล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะขยักขยแงโลกแล้วมันดูถ้าจะเกี่ยวข้องกับโลค ก, ก็เกี่ยวข้องกับแบบระมัดระวังไงไม่หลงโรคพอสุดท้ายก็คือมาเกิดแก่เจ็บตายนั้นถ้าเรารู้ว่าอยมันจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วแหละชีวิตเนี่ยมันจะเพลิดเพลินไม่ได้ฮะมันจะต้องรีบเดินทางละชีวิตมันต้องเดินทางละเสวนาสัจธรรมละไม่ใช่ว่าใกล้แก่เจ็บตายเป็นโลกเขาวม่ิด้ใชแล้วจะตายแล้วถึงค่อยปฏิบัติธรรมโอ้ยอันนี้ประมาทไปฮะชีวิตเนี่ยประมาท ลวงตาจ้างพ่อมาปฏิบัติธรรมแลนะเนี่ยพันไหนสิงหาเล่าอยู่บานเหน่าเรามาปฏิบัติธรรมเราบริจาคมาค่างวัวค่านั่นค่านี่พุงตาจ้างวันละสองร้อยมาปฏิบัติธรรมมาเขาเขาให่กขว่บ น, นั่นละรุนใกล้ๆเพื่นนั่นเขาข้ามบวยมานี่เขาข้ามบวยรับเป็นตายว่าเท่านี้พอครู้ประจอนี่หัวควัดหัวเกียงอยู่ที่ตายเท่านี้วะ มันเท่าไรขันไปจมเน่าผัดเว้ยหลวงตายจะเท่าคือผมก็แเด้งกันนะพีอยู่เอาทิ ท, ทิมันต้องมาเถียงอีกตั้งหากกูสิภาค พ, พระหุ่มตีเท่านี้จะบ้าบักสอนเนีย ก, กระโดดโยมพ่อมาปฏิบัติทางนั่งเก้าอี้สร้างจังหวะหงายเงือบเลยเด็เวลาหลวงตาไปเนี่ตีนยันเก้าอี้ล่มคบพุ่นเด้ตื่นมาโอ้ยข อ, อ, อไป น, นี่แหละตั้งใจในไแมครับครับครับพระนิสสังจังวัดตรน ตั้งใจดีๆเฮ็ดสนี้มันสิบรรลุดิมันสิรุดพ้นได้จีวะต้องอดพ้นสูต่ตายโย ม, มเขาเลยว่าโอ้โหตาบ่าบาปทีมคอยยืนเหนือบาปแต่ผมไบ่ได้ย่านเดี๋ยววะบางทีวันปสลาดเด้เท่าเนี้ยมาบ่อยก็เกิดปัญญาอีกว่มพนะมึงเบิ่งให้กูในเดือย่มเรามากนะกูจิ น, นั่นมึงอื่นกูจเบิ่งให้มึงพะนะอืมมึงดูปลาสลดดูให้กูหน่อยนะพรุ่งนี้กูจะดูให้มึง แล้วมา้ยัดะไรปมงก็ไอแล้วก็นนะ่ยอูสิของเมื่อดอกกเ น, นะนี่ยแงลงตาไปลงตากรบเปไปทางเก่าเนาะลนตากับบ้อไปจไปหูจักอยู่ไหมบางทีก็ไปมึนก็ไออยู่มันบวตื่นเนีย่ยมันหลับมันคักเนี่อมืดๆตาเจ้าหน่อยกูไน่ลากแล้วนง่โบหงมืออยู่หลับมีดีอยู่ไปอมันบหงมือแล้วซุกตตเกียวี่อจ้าหงมือ มาปฏิบัติท่ามือสุดท้ายเมือ่อเขาถามโฮย่อมเพ้นถามตามาแต่ใสไปไหนมาบ้าน่ะไปหาปฏิบัติท่ามรับจ้าง ม, มาปฏิบัติท่ามรับจ้างในมือเทไงสองร้อย 200, แล้วป่ะมาแบงไนี่ยโอ๊ยจีแบงจออะไดเพรพอหอดค่าจีบยาแล้วเก็บไปมืดหมดเลย โอยไปงวนนะ่ะทีกกไปจีรอสิคืนสามรอยสักกูจะันบ่พวอข้าจีนยาไปสิละแล้วก็บ่ซัง น, โ น, โนีแล้วก็แล้วก็ูดักอยู่เนาะลกตาวะไอ้ถ้าสอนพ่อสอนแม่เนี่สอนง่ายสอนเขาไอ้ตอมไอ้จำพวกไอ้นกนิคไม่มากเ่ยตอมโกงหูหลอดนี่ต้นี้ ม, มันเวลามนกินเขาวมันเฝ้าอย่างจกงลดมันยากลูตาสูยีเห็ดเลนเดียว่าสั่นบ่ได้อย่างนด้มันฟ้าหวหลดมนอันท่บ้านเขาสมบูก้าสุนเขาย่านเขาฟ้องศาล อืมให้ไลก่ก็ไ ม, ม่ได้ตีคำว่ากระดิเมื่อเว่าอยู่งมันเป็น้ายเจ็ดเจ็ด้ฮ้ยังวาอยู่ดีต้องบกินหัวมันน่ะอยากให้มันแจ้งเลยแล้วเฝ้าเห็ดเฝ้าปฏิบถถัติถ้ำฝึกเอาเส็จแล้วไปกลัวอะไรเน้อมันไม่มีอะไรแล้วมันไม่สลดผลหูใจเห็นไหมนี่รู้อยู่ทั้งรู้ว่าจะเกิดแก่เจ็บใจจะเป็นทุกข์อยู่นี้เลยมันก็ยังอยากรวยอยู่เอยากสวยอยากงามอยู่ไม่รู้จักปล่อย แทนที่จะฝึกฝืนเดินหน้าไปมันไม่ฝึกไม่ฝืน ไ, ไม่เดินหน้าข้าจะลงไปข้างล่างข้าไปประทับในร่างของฉันนะักเพื่อนของเขาและคนขับรถมาเพื่อทาให้เขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ความทรมานของมนุษย์บนโลกนี้การได้เห็นโลกใหม่นั้นนะราชากุมารจะได้สละราชสมบัติ และบำเพ็ญทุกร ก, กิริยาคือค้นหาสัจธรรมกราบใดที่มนุษย์ไม่เอาชนะความริษยากิเลสโทสะความโลภความเกลียดชังก็จะไม่มีทางเป็นบรรพชิตได้หรอกพะยะค่ะแล้วเราเอาชนะมันได้อย่างไรกันละ่ะเอาชนะได้ด้วยสัจธรรมสันติความรักและศาสนาผู้ที่ยังลุ่มหลงในทางโลกไม่มีวันที่จะเป็นนักบวชได้เจ้าพูดถูกลนะ่ะข้าจะสละชีวิตในวังและเสื้อผ้าเหล่านี้ซะ ไปแล้วดูดิท่านออกบวชเป็นไงบ้างดูดิีดูมันชัดชัดต่อตกลงสิสิทธิะจงรับในสิ่งที่ข้าจะให้เจ้าเจ้าจะไม่มีวันได้เจอชีวิตแบบนี้อีกแล้วไม่ว่าในชาติไหนไหน และจะไม่มีใครมีโอกาสได้มีชีวิตเช่นเจ้าน่ความคิดไม่เฉียงกันนะควรู้สาสมบัติความรู้หลาสะดวกสบายในตัวข้างๆคือมาามาท่านอยากให้สิ่งเหานี้แก่ข้ามากมายนักท่าศิทธะบอกข้าสิว่าเจ้าอยากได้อะไรท่านจะให้ข้าได้จริงๆคน็่แห่นอนอยู่แล้วข้ามาที่นี่ก็เพื่อช่วยเหลือเจ้านี่แหละสัญญากับข้าแน่นอนข้าสัญญาข้าจะทําทุกอย่างตามที่ใจของเจ้าต้องการทําทุกอย่างตามที่ข้าต้องการอย่างนั้นเหละข้าไม่อยากแก่ ข้าไม่อยากป่วยและถ้าก็ไม่อยากตายด้วยท่านจะให้ได้ไหมละ่ะความคิดแบบนี้หา ย, ยากกับคนนะถ้าจินใจออกบวชพอเห็นอย่นั้นปุ๊บเนี่ยเน้องออกไปบวชแล้วก็มีมานคือความคิดนีดด่เฮ็ดดีบดีน้อบวชดีบดีเขาเดินออกไปบวชเลยนะเนี่ยแต่ของเร า, าเป็นยังไงเฮมีดหดกรองแงวไว้ต่อไป ของ้ยบึมบบึมบั่ ม, ม, ม, มออกไปได้ 30, สามมือสิกซัมสามวันน่ะสึกแล้วขนาดกองยาวกวองสั้นแจกบัตรตั้งเยอะแยะนะแจกการดแต่นี้เดียวสึกแล้วข้าชื่อสิท ธ, ธาข้าเดินทางแสวงหาความความรู้แบบไหนเหรอความรู้ชั่วนิรัน์ความรู้ลมหมาข้าไม่แน่ใจก็อาจจะใช่และที่บูชาไฟเนี่ย เมื่อกี้ลือสีลีจริงๆนะเมื่อกี้นี่ น, นะในอินเดียจะเห็นเยอะแบบนั้นเรียนวิชาตัวเบาไปนี้อินเดียจะเห็นเยอะแบบเนี้ยที่นั่งแล้วตัวสูงขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ด เ, น, เ, ดเนี่ยวิชาตัวเบาเนี่ยเวลาเขาแสดงปีหนึ่งเขาจะทำไหมเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่แบบว่าคนไหน ทนต่อความร้อนได้เขาจะจุดไฟล้อมตัวแล้วก็นั่งสมาธิฤดูหนาวเนี่ยให้นั่งอยู่บริเวณน้ําแข็งรอบเอาไว้เขาทวนกระแสมากในอิเนเดียเวลาไปดูฤดูเขาเอาจริงเหรจังฤดูเกินโกนผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้โกนเหมือนเรานี่แต่เขาจะดึงถอดนาวีละเส้นละเส้นละเส้นสานุสิทธิตอาพานมาวางเต็เมเลยพร้อมฤาษีเนี่ยอ้ที่หามศพไปนะครับเป็นแบบนั้นแหละสมัยอินเดียสองพันรอยกว่าปีก็ ปัจจุบันก็แบบนั้นคือเขาไม่ได้ใส่โลงไม่ได้ไประดับตกแต่งสวยงามเหมือนเราเอาผ้าขาวห่อแล้วก็เปิดตรงตรงคอนี่แล้วก็ใส่แค่กฎหมายเขาห้ามเก็บไว้เกินยี่เกินสิบสองชั่วโมงเทศบาลเขานะ่ยให้เอาศพออกจากบ้านตายเราหาหมอกทันทียังไม่ได้ไประดับตกแต่งไม่ได้สวดอ่ะหามไปทิ้งลงแม่น้ํานะข้าขอมอบบาทใบนี้ให้แก่เจ้ารับไปสิ คติการขอ ทุกสรรพสิ่งบนโลกเกิดขึ้นเป็นอยู่และดับไปทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นจะต้องสูญหายไปในที่สุดไม่มีสิ่งใดมีตัวตนที่แน่นอนตลอดไปเหมือนสังขารที่อยู่กับเราเพียงชั่วคราวสิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของความทุกข์ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจ์ไม่มีสิ่งใดจริงหรือหลวงความรู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้นที่เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้คำถามในใจเรากำลังได้รับคำตอบเรารู้สึกถึงความสงบ ข้อกังขาทั้งหมดที่เราสรับสนกำลังกระจ่ายแจ้งด้วยแสงแห่งปัญญาทำให้เราได้มองเห็นสัจธรรมโลภโทสะโมหะของตัวเองกำลังถูกกำจัดออกไปเราได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อจิตสงบนิ่งแสงในปัญญาก็เกิดเราค้นพบการดับทุกข์อันเกิดมาจากการเกิดการแก่การเจ็บและการตายปราหลุดพลแล้วจากควต่างสงสารแห่งชีวิตผลทางแห่งการพ้นทุกข์ จากแสงแห่งธรรมที่เราค้นพบในวันนี้จกเป็นสัจธรรมที่จะสถิตอยู่คู่กับโลกนี้ชัว่วกะละปาวสานคือคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติทำเนี่ยอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจนะเราก็อ่านมาตั้งแต่เกิดนะชั้นนั้นชั้นนี้มาเราเรียนมานะแต่ว่ามันก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีคนที่เข้าใจอธิบาย ก็เรียนแบบประเพณีแบบวัฒนธรรมไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดในโรงเรียนคนหัวดีๆเนี่ยมันจะไม่ชอบเข้าเรียนเพราะว่าเราสอนด้วยระบบความจําไงพระพุทธเจ้าเป็นลูกใครอะไรประมาณนั้นนะเกิดที่ไหนอะไรแต่มันถ้าเราสอนเรื่องวิปัสสนาเนี่ยเรื่องการรู้แจ้งว่าถ่ายทอดแบบนี้แล้วฝึกเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกศาสตราจารย์พวกอะไรเนี่ยเขา ฝ่เรียนพุทธศาสนามากเพราะว่านี่คือชีวิตของเขาแต่เราไม่ได้เรียนในฐานะที่เป็นศาสตร์ของชีวิตแต่เรียนเป็นหลักความจําเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรสักอย่างซึ่งมันพลาดตรงนี้เนี่ยอาจาตรมก็เคยสอนในมหาวิเลยนะตอนจบใหม่ๆก็ช่วยเขาสอนก็เสนอแนวความคิดที่จะสอ น, นเขาไม่เห็นด้วยอาาตรมก็ไม่เอาจบนะมาตั้งมหาวิเลยเองดีกว่าเนี่ยสอนเอาเองทําเองเนี่ย เอาคนที่มีความรู้มีศรัทธามาเรียนเองมเมื่อเราสอนในระบบเนี่ยมันเขาไม่รับะยากแต่นี้ก็มหาวิเลยอันนั้นนี่มหาวิเลยสงฆ์เขาก็อยากให้เพิ่มฝึกแต่ร้องตาก็เบื่อหน่ายที่จะฝึกพระเพราะว่พระนี่ไม่จริงจังไม่ตั้งใจมันนี่เหมือนโยมสอนพระนี่สอนยากมากอตาจารย์ตัวตนเยอะลองดูดิว่าพระทั้งหลายเอาโทรศัพท์มาเก็บนะมันไม่เก็บอะตั้งใจปฏิบัติเด้อ ม, มันรับรู้ความเมตตาง่ายเพียงอย่างหนึ่งสอนพระ สอนยากมากนั้นศาสนาพุทธนี่เจริญยากกับพระสงฆ์องคเจ้าเนี่ยมันจะเจริญอยู่กับญาติโยมเจ้เนี่ยหัวโล้นอยากล่ำหัวดําอยากเทพในอนาคตเนี่ยคนหัวโล้นนี่มันจะอยากลํา อ, อยากล้องมวนซื่นเข้าใจเรื่องการเมืองเรื่องอย่างแต่หัวดำนี่อยากเทศเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ตั้งโรงเรียนเราไปเรียนวิชาสามัญแบบโลกโลกแต่ญาติโยมนี่เขาเห่เข้าปฏิบัติธรรมพระไม่รู้เรื่องะ เี๋ยวนี้โยมปฏิบัติธรรมกันเยอะแล้วยมก็เข้าใจสัจธรรมแต่ในวัดมีจะปัญหาดูดิเพราะไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมถ้ามาปฏิบัติธรรมจงโอ้ยเคนเคียงพูดนี่างนี้นแต่โยมเขาแสวงหายิ่งเคีงเท่าไหร่เขายิ่งไปยิ่งฝึกยิ่งฝนที่เขาตั้งใจอ่ะมันก็เห็นแก่นแท้ของสัจจะนี่นั้นศาสนาปัจจุบันเนี่ยมันมันอย่างว่าน่ะมันจะไปเจริญในตะวันตกเปิดคอร์สแต่ละทีนี่โอ้ยคนปฏิบัติธรรมกันเยอะ ในเมืองจีนเนี่ยเดือนละร้อยห้สิบร้อยห้าสิบนะคนเขาเรียนอยู่ที่วัดด้วยหลางคนเขาปฏิบัติธรรมกันจริงจังขนาดไปเช่าวัดเขาสอนนะเนี่ยคือเขาจะเข้าถึงจริงจริงเนะ่ะคนเนี่ยไม่ได้อยู่กับประเพณีวัฒนธรรมอย่างฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้มาถามว่าเรื่องบุญทำบุญทาตาลนะแต่เขาถามว่าตอนนี้เขาฝึกสมาธินี่เป็นสมาธิแล้วนี่นมันจะเกิดปัญญารู้แจ้งได้ยังไงเขาถามนะว่าปัญญารู้แจ้งวิปัสสนาในเกิดขึ้นตรนไหนเนี่ยตอนเขาฝึกเนี่ยเขาบอกว่า เป็นครูให้เขาหน่อยเนี่ยเป็นโค้ดให้เขาหน่อยฝึกให้หน่อยเทีย น, นเทน้าหน่อยกขเป็นยังไงเนี่ยเขาต้องการคนแบบเพีนั้นแต่เรามีไหมมันไม่มีวัดปันอกวานาอะไรประมาณนีน้มันก็อยู่แบบเพียรนี้นั้นพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เ็นต์เราว่านะแต่มันเป็นพุทธกี่เปอร์เซ็นต์ได้คิดเนี่ยหลวงตามว่ามันไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยนะหนึ่งร้อยคนเนี่ยคนพุทธศาสนาที่นับถือพุทธเนี่ยเข้าถึงทำได้สองคนไหม หนึ่งเปอร์เ็ได้ไหมมันไม่ได้สองเปอร์เซนตก็ไม่ได้หมื่นคนหนึ่งคนยังยากเลยแล้วจะให้ศาสนาพุทธนี่มันเจริญได้ยังไงอ่ะมันไม่เจริญเพราะการเจริญของขาศาสนาพุทคือเจริญด้วยหลักธรรมคาสอนว่ามันมีคนสัมผัสได้ว่าพ้นทุกได้เพราะคาสอนพุทธะนคือศาสนาเจริญไม่ใช่เจริญที่วัตถุเป็นแบบนั้นแบบนีน้ไม่ใช่โนตาสร้างวัดไม่ได้หรูหรานะนะแต่ละแห่งแต่ละที่เองก็คือ สร้างเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะเราสังเ ก, กตด้วยแบบท่ามบอกนะนะตึกกระต๊บก็แตบไปบทั่วนะเขาไม่ได้รูราอะไรเพราะว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมเฉยๆแล้วไม่ได้ทําให้คนมากราบไหว้ท่า น, นทุกแห่งเดินรอบดูวัดมีแต่ทางจงกรมอนุสาวรีที่ไปดูนาะวัดอื่นเขาไปดูเจดีย์ของเราไปดูทางจงกรมมีแต่ทางจงกรมทางจงกรมคือทางไปนิพพาน น, น, นะน่ะเบืง้งรู้เนี่ยเป็นหองมัดใช่ไหมพ่นี่แม่เนี่มีกี่คนละบรลูน เ, นนนเนี่ยเส้นอะไรเนี่ย ว่าถ้าแพ้งทางจงกรมบางคนคุณนหน่ายบันมาบปฏิบัติธรรมไม่ถอดรองเท้าส้นสูงเลยมิตรลูทางจกงกรมทำมันทําลายทางไปนี้ผ่านนั่นเนี่ยไปถอดทิ้งมานะใส่ดาวเทียมขอ พ, อพ่อดอกเกือบก็ได้คนมันไม่รู้มันห่วงตีนมันมากกว่าที่นั่นโดยเฉพาะพวกเตีย้ยๆนะพวกเตีย้ยๆต่ําๆมันจะยกตีนขึ้นไปนิดๆทางจงกรมยากลําบาก นั่นช่วยกันหน่อยเถอะโยมศาสนาพุทธอยู่ที่โยมนี่แหละถ้าโยมตั้งใจปฏิบัติแล้วโยมรู้แจ้งโยมไปสามารถบอกต่อได้นั่นแหะเราไม่ได้สอนผิดเพี้ยนอะไรสอนให้อยู่กับปัจจุบันเฉยเฉยเนี่ยหกเจ็ดวันมันต้องเกิดปัญญาทุกมันต้องดับหรือน้อยก็ลดน้อยลงแหละถ้าไม่น้อยลงมันจะมีเร้อในวัดเราเนี่ยไ ม, ไม่ใช่เด็กสักคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีแต่ดอกเตอร์มีอย่างนั้นก็คือจบปริญญาตรีคนมาปฏิบัติธรรมในวัดเนี่ยไม่ใช่ คนบ้านนอกหรือไม่ใช่คนคนแก่คนเท่าแบบประเพณีนะที่วัดเราเนี่ยคือเราสร้างวัดไม่ใช่เป็นวัดบ้านนะนี่เนี่ยไม่ได้ใช่วัดบ้านนั้นบ้านี้นะวัดที่เป็นวัดสากล น, นะวัดสำนักพุทธมาฝึกจิตเป็นวัดที่ขึ้นตรงกับพระพุทธเจ้าขึ้นมายว่าสอนขเบยให้คําสอนพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ทําเพื่อประเพณีเพื่อบ้านนั้นบ้านนี้มาทําบุญไม้ที่นี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเป้าหมายแล้วไม่ได้ทําเพื่อแบบนั้นที่นี่ยให้สังเกตดูดิ แต่ก่อนเป็นวัดของคนทั่วๆไปมาบริวารเดี๋ยวนี้เริ่มออกไปต่างประเทศแล้วคนเริ่มต่างประเทศเริ่มมามันจะเป็นวัดนานาชาติโดยสั้นไปอ่ะคือเป็นที่ฝึกของคนที่มีปัญญานั่นเองนะโดนถางว่าไม่ได้สร้างวัดนะสร้างโรงเรียนอ่ะเนี้ยเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรเงี้ยเรียนรู้เรื่องจิตตัวเองมันที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะเป็นประโยชน์ถามว่าเป็นประโยชน์สังคมไหมที่เราทําเราไม่ได้ให้เป็นประโยชน์กับใครนะ แต่ใครเห็นว่าเราทํามันเหมาะสมมันดีเขาก็มาเรียนรู้ด้วย น, นั่นเองมันไม่ได้ประกาศใหคนนั้นมาคนนี้มาแต่มันเป็นไปนเองนะนะเขาว่าเสียงของศีลกลิ่นศีลกลิ่นธรรมมันจะหอมทวนลมแต่กลิ่นดอกไม้นี่มันจะหอมตามลมทวนลมน่ะที่โนวนที่นี่เขารู้จักเขามาฝึกเขาเองมีน้อยก็ตามเราเนี่ยปฏิบัติทำในน้อยไม่มีคนเยอะหรอกมานี่นี่ยแต่ว่ามันมีแต่คนจริงน่ะนั่นเองคนในน้อยขอแต่ให้รู้จริง แต่คนเยอะๆเอ้ามาเวียนเทียนมาเข้าวัดเข้าว่าเป็นหมื่นเป็นแสนได้แต่ประเพณีได้แต่วัฒนธรรมและศาสนาพุทธอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญาเนาะก็เปล่าประโยชน์นะเสียดายลหลายๆวัดอย่างวัดป่าสุธาว่าดเดี๋ยวนี้ก็เสียดายเสียดายวัดแตก่อนเป็นรอยขอ ง, องปู่มั่นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอะไรเข้าไปก็ไปบูชารูปเหรียญกขไปใครไปมันม่นอนะไรอย่างนงี้ยมันเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วมันจบวัดใดก็ตามที่เราไปสร้างเจดีย์สร้างโนู่นสร้างนี่ใส่เนี่ย จบทันทีนะวัดทั้ขามไม่ไปถามมือมีพระสององค์อยวน่นี่เขาเบื่อหน่ายคนมันไปบ่อยไปชมบุญชมทานวัดดังแต่ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเน่ะนิมนต์มารับสังฆทานในท้อนเจ้าหน้าที่มารับสังฆทานในท้อนอยู่พอปนั้นมันรบกวนเะน่ะมันรบกวนถ้ามีแบบนั้นเนี่ยมันยากลําบากพระก็ตื่นขึ้นแทนที่จะได้ทําความเพียรเนี่ยไม่ต้องมาปัดกวาดวิหารลานเจดีเพราะอะไรคนจะมาเที่ยวไงเสียไปลาเวลา เสียดายเวลาที่จะดับทุกเนี่ยแต่โยมในชอบว่ามันจะเลินไปเนี่ยเรื่องลายพระนะทําลายความเป็นพระทําลายความเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมเนี่ยมันเสียเวลากัเรื่องไร้สาระไปเี้อีกหน่อยคนมามากเอาเป็นเรื่องเงินทองเกิดขึ้นต้องมายุ่งยากกับการบริหารเนี่ยโน้นตาไปอยู่ที่ดอยตงุงนะเขาไปสร้างพระอาจารย์ส่วนเนะส่วนประหลักนะที่ก่อนไปสร้าง สมัยรองค์ตายอยู่ที่ที่ทดอยถุงสร้างพระพระอะไรที่ท้องปุงป้งๆใหญ่ๆนั่นเนี่ยเออพระสังกัจจัยพระมหากิจา ย, ยนานะวัดมหากิจา ย, ยนานะเนี่ยไปสร้างไว้ที่ไหนแสดงว่าวัดนั้นเน้นเรื่องการเงินเรียนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคนมาจากจังหวัดเชียงรายก็มีนะแล้วทําสะดือใหญ่ท่าบาทเนี่ยในนี้นั่งเอเปีเ อ, อยู่ใครอยากได้บุญเนี่ยเขาจะมีพิธีโยนเงินขึ้นไปใส่สะดือท่าน วันวันหนึ่งเนี่ยเวลาเรานั่งดูลงตายอยู่ที่สูนเพาะพันธุ์ก้ามายข้างๆนั่นแหละข้างๆทำความเพียร น, นเห็นเดือพระเขาออกมาต้องปีนขึ้นไปมันไดปีนไปตรงสะดือท่านองค์ใหญ่แล้วก็โกยออกมาเดี๋ยวนี้เขาย้ายที่ใหม่แล้วนะย้ายที่เอามาอยู่ทางนี้เดี๋ยวนี้พอเขาเขาสร้างอีกด้านข้างๆเนี่ยทำใหม่ตั้งสองสามสี่ห้าองค์นั่นแหะทีนี้องค์หนึ่งใหญ่เท่าไหนเห่เลย เฉพาะท้องปุงปุงท่านก็จะเท่ากระดานนี่แหละสะเดาะเคราะน์นะคว่างเงินเข้าไปคว่างเงินเข้าไปเอาถังมาโกยบอกดูเต็มถังนะั่แต่ละวันเนี่ยท่านเราให้ฟังเพื่ออะไรช่วงหนึ่งมันห น, งห น, งห น, งหนังสืบพิมพ์ขาออกข่าวเพราะว่าตอนจังหวะที่โกยออกมาเนี่ยเขาขึ้นปล้นพระก็ห่วงเงินมึงยาวเงินกูไปแนะ่รประมาณนั้นนะเพราะนันกพจนมันไม่ให้รู้ดิ ที่คู่ถังเงินนี่ที่กาลังขนมาส่วนมากเป็นเงินเหรียญ น, นะเงินสิบเงินห้าเงินเหรียญห้าบาทสมัยก่อนเป็นเหลี่ยมต้องพานว้างก็ได้มันถึงขึ้นถ้าเข้าสะดือก็จะได้บุญและอธิษฐานนะประสบผลสำเร็จนะนั่นหนึ่งนี้นะความเชื่อพระโกลว่าพระตายสองเขายิงตายในนั้นนะแต่หลวงตาหลบทัน เพราะว่าหลงตาไม่ได้อยู่นั่นนะ่ะหลวงตาอยู่ที่หนึ่งต่างหากได้ยินแต่เสียงปืนออกมาดูว่าตายไปแล้วเพราะอะไรเพราะเพราะกำลังโกยเงินนี่แหละแต่รถเขาไปจออย่างะแต่ก่อนคนไม่ได้พุกพ่านแบบนี้แต่ก่อนเนะี่ยมันเงียบเราก็อยู่ให้โครงการหลวงที่เพาะต้นหน้าวัวเนี่ยดอกหน้าวัวทั้งไทยจะอยู่ใ น, นนั้นคือแต่ก่อนคุณทุดงไ ป, ไปชั่วเนาะไปอยู่ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างนะเรีว่าเนี่ยเงินทองก็มีปัญหา เดี๋ยวนเรามุ่งเน้นแต่เรื่องวัตถุอะจะไม่เน้นเรื่องจิตใจไม่ไเน้นเน้นจิตใจคําสอนพระพุทธเจ้าต่ไมไ่อยู่กับเรื่องพวกนี้ให้ลงตาไปมาเลเซียเนี่ยพระพุทธรูปองค์หนึ่งเขาเท่าศาลาเราเนี่ยคนจีนสร้างใหญ่โตมากใหญ่ข้างล่างก็คือเข้าไปข้างล่างเป็นเจดียด์แต่ขบูรณะพระพุทธรูปใหญ่มากใหญ่จริงจริงนะวัดบรรนอกนะเนี่ยอีกวัดหนึ่งหลงตาก็เป็นร้อยล้านะ ลถน้ำมนันนะคนจีจะชอบมากอะ่ะรถน้ำมนเนี่ยวันพ่อบอลหลุดมันเข้าเขางั้นเขาเขานี่บนลงตาไปอยู่นั่นก็คือลงไปหารูทางว่าจะไปสอนอันนี้แหละแต่ไปดูแล้วมันโอ้ยมันยากเพราะรมุสดิมเขาแข็งเกินน่ะกลัวมีเหลือซากกลับบ้านเอาตรงนี้ไม่ในใจปั๊มปนั่งไปสอนบ้านกูดีก ว, ว่าน่ะแต่เขาก็อยากให้ช่วยนะไปดูเขาดี่ะแต่ดีแบบเขา พูดถึงเรื่องทําวัดนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาทําวัดเนี่ยมันไม่มีนะทําวัดเนี่ยเริ่มมาจากเนี่ยเอานั่งสร้างจังหวะดีๆสร้งใจดีๆมันก็ไม่ได้สติแหละได้แต่ความจําอันนี้ใครใจไหมเขาเรียกว่าสัญญาไม่ใช่ปัญญาจําเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้นี่ช่วยเวลาลงตาพูดไปพูดมามาไปสวดกูเดีนี่เนี่ยเห็นไหมมันจะดับทุกขออไ์ไม่ได้ด่ากูทั้งอ้อมได้๋นี้เป็นไง ไม่ทางว่อมหลือทางตรงนี่แหละคือแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีอันเนี้ยไม่มีคําสอนแบบนี้เราจําเอาองค์นี้ก็เรียนกับจำมูนี้กเรียนนี่ยพราะพระพุทธเจ้าเล่าว่าอย่างนี้วันี้ก็จําเมาวันนี้ก็บจำสี่ร้อยปีนะจึงมีการบันทึกคําสอนเราเชื่อได้ไงว่าเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าเชื่อตรงที่เราปฏิบัติตามแล้วมันดับทุกได้นี่แหละท่านนั้นเองะนี่รอยพุทธบาทอันเนี้ย ลอยพรพุทธบาทมาทางนี้สติสมาธิปัญญาลอยเจ็ดลอยเนี่ยก็คือโพุทชงเจ็ดศรัทธาสติสัำพุทธชงสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัปสสติสมาธิอุเบกขาเนี่ยเจ็ดลอยเนี่ยรอยพุทธบาทเนี่ยดอกบัวเจ็ดข้าวเดินบนดอกบัวเจ็การเดินบนดอกบัวเจ็ด้าวนี่มันไม่ได้หมายความเอาขาเดินนะจะจิตเดินเมื่อไหร่ที่เราได้อารมณ์สมาธิเนี่ยจิตมันจะตื่นเบิกบานเหมือนเดินบนดอกบัวนี่ มับนบานมันรู้ตัวตลอดนะแต่จิตจะพัฒนาขึ้นเป็นสติเป็นธรรมวิจัยเป็นวิริยะนะเป็นปสถานิความสงบเงียบนะเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์กระทบสมาธินี่คืออารมณ์อะไรกระทบก็ไม่หวั่นไหว น, นะเขาเรียกว่าสมาธิไม่ได้มันสมาธิไม่ได้หวั่นว่านิ่งนะแล้วก็อุเบกขาอุเบกขาคือความ เฉยต่อการกระทบเห็นแล้วก็ดับเฉยเฉยมันดับไปอย่างนั้นเนี่ยอุปะอิขะเนี่ยแต่ว่าเห็นเฉยเฉยมีแต่เห็นนั้นพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บำบาดผู้เห็นเฉยเฉยเห็นแล้วมันก็เฉยโดยธรรมชาติาเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าพุทธะเนี่ยนั้นใครพุทธเจ้า เ, เรานี่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าได้นะพุทธะสภาวะไง พระพุทธเจ้าบุคคลในประวัติศาสตร์ศิเทศตายไปแล้วนี่พุทธรูปมาเนี้ยููพุทธรูปม น, นี้ไม่ใช่ของจริงพุทธรูปรูปของคนรู้ตื่นเบิกมานที่จริงรูปน่าจะเป็นแบบของอียิปต์นะคนอียิปต์มันจะอ้วนๆของเรานี่สโดใสองงนะนี่นะสวยงามพรพุทธรูปเราพระพุทธรูปน่าจะวาดน่าจะปั้นตอนท่านแก่บ้างอันนี้ไม่มีเลยวาดตอนไหนก็นุ่มตลอดนุ่มตลอดนะน่าคิดนะของไทยนี่ยิ่งหนักประดับตกแต่ง เสียงหัวเราะเวลาฤดูหนาวเอาลุงตาพูดมาเมื่อกี้ว่าเออแต่ก่อนเขาทําวัดทำวาแต่ก่อนนันไม่มีบทสวดนี่เขาสวดมาสมัยนี้นะสมัยรัชกาลที่สเนี่ยเขารวบรวมคําสวดลักษณะของพุท ธ, ธะเป็นยังไงนะแต่จะรู้ได้ชอบทําเป็นธรรมะเป็นไงธรรมะของพระเจ้าเนี่ยธรรมะของพ ร, เระรเจ้าต้องเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาเองจึงจะเรียกว่าธรรมะอุเจ้า สว่าขาโตพระคัมภธรรมโมสันติติโกอาการิโกเห็นไหมยี่หิตปสิโกโกปนัิกโกปจตังเบริตโปมิจุน ท, ที่อธิบายให้ฟังต้องเป็นแบบนี้มันจึงเรียกว่าธรรมะพระเจ้าเราได้เจอธรรมะโอ้ยเจ้าคือมันเจอจากกิตของเราเองนะี่เจอก็เกิดจากการทําลายกิเลสเป็นนี่แหละแล้วพระสงฆ์ล่ะสงสาวกของผู้มีพระเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นะค ยายะปฏิปปโนสามีจปฏิปปโนอัญชลีก็ได้คนแบบนี้จึงอัญชลีจึงสมควรกราบ่มควรไหว้อนุตตรังพุญธเกตตังโลกัสะเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกคนไปทำบุญด้วยก็จะได้ความรู้ได้เกิดปัญญาเลิกเกิดพ้นทุกข์ได้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเนี่ยจะโคกวนนี่มันมีไหมเน่ะนะมันนุ่งส่งเลยนุ่งผาเลืองเห่นี่สิมันไปคนละทางแล้ว แ่้วทาจึงไม่ได้เอาลาบยศชะละเสริญอะไรที่เขาเป็นเอาเปนไปเถอะเนี่ยนะเขามาขออนนันนั้นอันนี้โอยหลวงพ่อผมว่าน่เราสิ่งที่เราอยากได้เราได้แล้วไงนะเราไม่ได้มาเพื่อแบบโลกโลกแต่เราคิดว่าเออสิ่งที่เราอยากได้คืออยากเข้าถึงทำคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ไปขอใครเราฝึกเอาเองไงเนี่ยไม่ใช่ชาวโลกให้เรามันต้องฝึกเอาเองอันนี้มันมีคุณค่ามีประโยชน์ พอเราเข้าถึงทำเห็นทำเข้าใจทำโอ้เข้าใจสใจทำทีนี้ก็จุดตะเกียงไหวแง่งทางพ่อให้สุ้มตาดีได้เห็นฮวงนฝูงโม่ข้นบอดใบสิ ม, มีหูงอมได้เห็นไหมเราสอนคนเนี่ยจุดตะเกียงไหวจุดตะเกียงคือส่องสว่างไว้เนี่ยคนแถวนี้ให้คนตาดีคนตาดีบอกขนกรุงเทพบอกขนพุนคนบีเขาแรนมากข้นตาดีเอาไหวให้ข้นตาดีได้เห็นฮวง สวมฝูงมูวส้มบอดใบสีมีหูุมอมเลยพวกตาบอดตาใบนี kind of ่อยู่ใกล้ใกล้จ้งเป็นเพลนเฮ็ดอย่างเนาะอยู่ในวัดนายยกมือบ่าบอบเปียบๆอยู่พะนะเนี่ยมันตาบอดตาใบมันไม่มีโอกาสเห็นหรอกสวดจุ่มกุ้มมืองุมบอถึงไปยังวะบ้านเขาเอว่าใกล้เกลือกินดาบสวดจุ่มกุ้มบ้านไก่ทาบมีหนากินสุมปันดินบ่มีหมอใส่แยาเลี้ยงไก่บ่มีโตขันเย สวดจุ่มกุ้มมืองุมไม่ถึงอยู่ใกล้ๆแต่มันงุมไม่ถึงนั้นมาฝึกมาหาัดมาปฏิบัติขั้นส่วนได้บอโอ้ยอยากไร <c oughs> ยากจริงๆก็คืออย่ากแก้ทุกนันแหละเอย่าพ้นความเกิดความแก่ความเกิดในคั้นจิปฏิบัติแล้วลูกไปซะมันพอไปบ่ได้ดอกเมีไปบ่ได้ดอกยากพอแมีมันมมน่ะละใกล้ตายเพรามาเห็ดน่ะท่านสอนเรื่องนี้เอาเข้าใจสัจธรรมพอเข้าใจสัจธรรม มันก็สบายเด้อชีวิตเนี่ยเพราะสัจธรรมคําสอนของพุทธเจ้ากับเป้าหมายชีวิตเราเนี่ยจริงๆมันอันเดียวกันอันเดินทางเพื่อพ้นทุกเนี่ยคืออันนี้ น, นี่แต่ น, นี่สมัครใจมาทํางานอันเนี้ยถ้าดับทุกได้เข้าใจทำไมยังอยู่ทั้งโลกก็อยู่ได้ไปอยู่เถียงหน้าบก็ะไรได้รอตายซื้อก็ได้ทํายังไงก็ได้ชีวิตมันสบายสบายอยู่นะ่ะแต่ก็ช่วยคนเพราะว่ามันเสียดายนะ ที่ได้คําสอนพระโพธิเจ้านั้นผู้ที่เข้าใจธรรมะนี่เขาจะไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยอเอาทํางานไม่เห็นนี่คือเมื่อแก่ละลงตาไม่ใช่พระวิเศษวิโสเลยพระสกลนครมีหลายแบบนะพระสวดพระเสกพระดังพระขังมีหมดนะพระดังก็มีพระขังก็มีนะคนส่วนมากจะเอาพระขังพระดังของเรานี่อยากให้คนลืมตาได้เกิดสติเกิดปัญญาแต่ไม่ว่าที่ไหนนะเขาบอกว่า ผู้มีปัญญาเนี่ยจะมีจำนวนน้อยผู้โง่เขลาโง่เขาเนี่ยจะมีจำนวนมากเรั้นคนปฏิบัติธรรมในบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งจะมีน้อ ย, อยเท่ากับเขาโคเขาบอกคนมีปัญญานะเท่ากับเขาโคคนโง่จะเท่ากับขนควายควายตัวหนึ่งนะอันไหนยากมากกว่ากันขนกับเขานี่นี่ล้วนี่ บอกนะยกกะเประตัวได้มาซ้ำเข่าควายได้สองอันซุมมันบ่มาเนี่ยซ้ำขนมันวะยากไรมันบ่มาเนีสยซุมขนง่วบ่มาแต่สั่งขบอกบ่อเข้ากันได้ใจหัวเลาะซื่อโอ้กิเลนดึงจองซุ่มเจ้าเนี่ยเอาปันนี่นอนแล้วบาไได้ขนาดคูได้นี่ก็ได้น้องซุมเจ้าบ่มา่อยไปยันได้หมมันก็ได้ซ้ำนั่นนะนะมันโง่ซ้ำนั่นกับเย่ํานั่นนะนะ ันแต่ธรามะมองคนโดูๆไปกค็คือคือคนบรรลุแจ้งก็คือคนมันพอ้คือแบบนั้นนะนะมันเสมอกันไม่มีอย่างผู้ดีผู้ดีกว่ากันนั้นถ้าได้มาปฏิบัติธรรมอยู่วัดอยู่วาได้ศึกษาหน่อยเนี่ยมันจะดีขึ้นหน่อยเราได้ฝึกสติขึ้นจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจก็ได้บอกเกา่าอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ได้ความจํานี้เข้าไปจําได้บ้างได้ฝึกปฏิบัติธรรมบ้างเข้าใจอ๋อเริ่มไปฟังออกนะฟังธรรมะออกแต่กอนฟังบเป็ียนเด้ ฟังธรรมะไหนฟังไม่เป็นไม่รู้เรื่องบ้านี้ก็เริ่มหูวสว่างเกิดจังไนมากเมื่อแรกจักเป็นยังเป็นบอกหมือนี่รู้สึกว่าฟังออกเลยเหมือนเข้าใจอ่ะเข้าใจขึ้นมาว่างแต่มันยังไม่เปลีนไม่แน่นะกลับไปนี่อาจจะกลับมาอีกก็ได้ได้ในหลายคนนะเพราะในนี่ก็คือคนเก่าเยอะๆนี่โรตารว่ามานี่ขึ้นเครื่องบินมาสองพันห้าสองพันเจ็ดเนาะกลับไปอีกสองพัเจ็ดมันเท่าไหร่เนี่ยจะหกเจ็ดพันแล้วนะ ทีนี้คนมาต่างจังหวัดมาไกลเลยอันนี้พูดถึงกรุงเทพนะเนี่ยถ้ามาทั้งอื่นนี่แหละมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเสียเป็นหมื่นนะแต่ละคนเนี่ยนี่ไม่รวมนะเนี่ยค่าเครื่องบินมาเอ้าเจ็ดพันบริจาคหลาสิบบาทเราไม่ว่าเราไม่ว่าขอแต่ท่านมาปฏิบัติธรรมค่าฟืนค่าไฟนะฮะเรามีเจ้าภาพอยู่แล้วนะ เท่าแกสวนยางพลาเนี่ยสามสิบไร่ปลูกไว้ให้ลูกแล้วก็เข้ามาบวชเนี่ยมันญาติกันพาอจมมันดีขากันบุละลูกก็ได้นอกจากนั้นยังมีสวนลำไ ย, ยอีกเนี่ยสามสิบไร่แต่มีสองต้นมันตายวัดนมันถึง <c oughs> ว้ยมันเหี่ยวตายเนานอนจะมันนั่นแต่ที่มันส0มสิบไร่นั่นแหละ หลวงพูสังไผเก่งกมูในวัดเนี่ยบ่มีเกินลูกไส้ก็เอามาบวชลูกสะใภ้ก็เอามาบวชเขาว่าอี่พอเจ้าพิยุวัฒนอยู่นั่นลงตายได้กินมือละน้อยกินมือเดียวนะเจ้าจะพ่จ้อยตายที่เจ้ า, มาไม่ยุติอยู่คอยเลี้ยงได้พ่อแม่เขาบอกนะท่านไม่สนใจท่านมาอยู่อ๋อไว่ยีนางนึงมา่อบึงมันมีเซเวนอเวได้ยีนางนั่นพอมาดูปฏิบัติทํามันบอกว่า ใครก็ชวนมาเนาะคนที่เป็นหมอไปชวนมาเรื่อยข่อยพิษยังเจ้ายังเอาข่อยไปปฏิบัติธรรมฉันผิดอะไรฉันไม่ดีตรงไหนมันเถียงมันว่าคนปฏิบัติธรรมต้องซัวปะนะปะ้าทุกข่อยบ่มีผัวก็เรื่องของข่อยเจ้าต้องเอาข่อยไปปฏิบัติธรรมเห็ น, หนยังปนวะตายยี่ปอบในะเกิจะปึ ก, ก้มดอกเอาไปมากเขาเราคูเนาะอันนั่นนี่ กุสิออกหาค่าใช้จ่ายมึงติดเท่าไหรเนีะ่ะเจ็ดแสนเอากูสิออกหาไปเขามึงไปปฏิบัติธรรมเขาว่าเจ็ดแสนดูดิก็เลยมาปฏิบัติธรรมพ่อมาปฏิบัติธรรมยงมือส่ายว่าได้ซีมือหามือ่อเราหลดลูกขึ้นมาได้บาดเนี่ยเกิดจังปางขึ้นมาหอดมือที่หกไหวลงตาโนู้หูจังแล้วว่าอีพอเป็นอย่างเราจังบะเมือ่อเราจจังบะสีเราเย็นธรรมเนี่ นูหนูสิบวดได้บ่เห่นวามันี้เห็นไหมอีน่าเจ็ดแสนเนี่ยตั้งแต่มือนั้นบ่เมื่อเลยแม้บวดเป็นสี่เลยไหมเดี๋ยนี่รถตาซงไปอยู่เชียงใหม่พวกมันบ่เมื่อเลยไม่กลับไปดูแลเลยเนี่ยยังบ่ท่านสิีเมรินบวรลงพูอบันนี่ลูกไผ่ลูกไผ่ม้ยามสางจ้าว่าไปจังน้อยลู่แจ้งบวดซ้าลูกไผ่ก็ได้เมีเ่ยกษตรสียอำเภอนหนิเม่ ลูกคนมาสองคนเราจับวชซ้ำไหมอตาตมาเอาพอมาปฏิบัติธรรมยั ง, งโง่เมื่อก็ะใดหลวงปู่สังค์พจนจั บ, บวชมดัดอตาตมาเนี่าบวชแถววอนก็ะใดบวชโลเจ้าสิบห ง, งวยแซยังวะเฮ้คนณสีบามันบอ ม, มีกินน้ำมาบวชน้ากันเมือทั้งพอ่อทั้งลูกปีนะี้เ <laughs> จ้าสิไปยานยังเท่าห้าเนี่งโงก่กระดอน้ะเจ้าเนาาี่ว่าจีรกบึกแท้วะว่จะดับทุกติว่า่านคนว่าพี่ยไ ที่ไปยานไปเีนี้เาปฏิบัติธรรมเาตัดความคิดนี่ว่าโอ้วงตาเอาผู้เดียวีเถะ่าหผมเห็นน้าเถอะแล้เราก็เอือนลวงตาคือแต่โรงพยาบาลในเมืองนะลุงพูดสั่งไม่ได้เหงาเอาเล่าตเนอส่วนยูเพิ่ว่าไหนให้เพิ่นเหงาเอามาเถอะเขาใกล้ๆกันอายุกรไดผมบ่ามากเนี่ย แต่หลวงปู่เนี่ยเห็นไหมได้คนเยอะมากเดชลูกมากลานมากวันนั้นวันี้มาเราเก็บมาบวชเข้าใจธรรมะเบิดเอาหลดลูกหลานเราไหมหลดสมบัยใส่พึงบัลลังพึ่นนี่แหละเข่ากระบอค่อยมีนี่ทั้งทึ่งนี่บบมีแข่าพร้อมหรือเข่าแท้ข้านเข่าพร้อมมานะเนาะเข่าพร้อมไปหาเจ้หม อ, อมาเถอะเนะจ้าน้อยไปหาหม อ, อเลยเฮ็ดทำฟันพร้อมเลยเนะนะ่ะ หมอกระพดปัจใจไงคันโทษไปก็เอารถมาทำ ห, มหมอดพี่หมอนะ่ะในโรงพยาบาลนนะเอารถมารับลงปู่ไปทําฟันทุกเกือบจะทุกอาทิตย์ผูห้หลับว่าจนไปเหตุไปเหตุไปเหตุดิพ่อปนเห็ุตั้ปีอะไรแต่เห็เุหมานี่ห้าสิบปีแหละพนะกะะพดไปเห็ุแต่เขียวอยู่พ่อปนนั่นลงตางก็เลยคุยโท้คุยกับหมอเของลงาล่งตายจากไอเห็ุเหลี่มเดียวซ ะ, ะคือมันจะมีอยู่จักจักจักเหล่ยมเนื ทั้งนาเนี้ยนะเป็นหวีนะเป็นเหลี่ยมโลตาให้หมอเขาเฮ็ดเป็นเหล่มเดียวไปลดนะคือมกักจกนี่ยวัดอไปมันจำไปสอมยากมนะันซับจึ๊กจึ๊กลงมาลดนี่นะ่ะหมอกบบมระบอกฟั่งคว่อมสอนบันเลบอกว่าให้มันจะประหยัดว่ะเหลี่มเดียวเอามาเฮ็จกต่อใครเนะี่ยนี่มลไปนี่โลต้านชวนไปกรุงเทพไปไปไปสันข้าวบ้านโยมเขาไปอย่างให้หลวงพอ่อหลวงตาเนะี่ไปสันเขานนหนุ่มกันบวจักย่างสันไปสันมากก็ถอดแข่ามาเสร็จแม้วอยหน่อย ทอดออกมาให้ยังเขียวอนั่นวะเปิ้ลเอาไปล่างตะกร้อแล้วจ้าซุบกรุบเข้าไปไหมสันก็คนกะจีหากแล้วเนาะยูกใกล้ก็ได้ษไม่มั้งมันบอกว่ไวเห็นหงได้ไปกรุงเทพมันเนาะเขาทําดีนะ่ะอาหารการกินเนี่ยบางทีเขาก็กระดาษที่สู่เขางามงามเป็นรูปนั่นรูปนี่เขา พ, พับพับใส่จานมาไวเ้เสร็จมื้อนะเปิเป้ลพนึกว่าพักกับมวลหามัน จืป ด, ดเกยังไหอยาอามันจิจืดเลยเ <c oughs> ก็ไม่จำมาไปน้าเพลนละไข่เน่ยหลวงปู่สั่งเขาไปกุเทมรตายพันยางทางั้งนาไปแต่นังไปบินตบาดคนร้ายจะเจียเจงไหนเนาะไปันไปอย่างเี้ยากาันบินตบาดขึ้นขึ้นทางด่วนเขาขึ้นทางด่วนแล้วไม่มีใครใส่บาตเลยมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนะ <c oughs> าะตั้งแต่เกิดมาหลวงตาก็ไม่เคยบินตบาด ท, ทางด่วนซักทีนะ จนรถมันวิ่งไปมามันหลวงพ่อขึ้นมาอะไรเขาถาเอา้ามึงบอกจากติมีบาทดิ <c oughs> <c oughs> ไอ้โกงเทพเมื่อคนพูดให้คนฟังคนไม่ค่อยเชื่อนะนะรถกากขาเลยเอาคนมายืนยันคนที่ไปด้วยนะไม่รู้นู่นยากคือชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากเหมืนอนพวกเราพวกเราเนี่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถเข้าใจได้เลยไม่ต้องผ่านอุปสรรคทุ ด, ดงทุ ด, ดังทุดรันทุเรศเหมืนอนพวกเรานะครนี่มันสบายหลวงปู่ก็สบาย เราเขาปฏิบัติธรรมเอาวัยก่านนั้นท่านปฏิบัติธรรมาหลายสำนักเลยหลวงพูนี่เวลาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมเนี่ยแต่ก่อนเราทํานักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเราเรียนมาแต่มาปฏิบัติธรรมไม่ต้องเรียนนี่เรียนรู้อย่ันนี้นี่ไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้เหมือนหลวงพ่อเทีย น, นยไม่ต้องอ่านไม่ต้องจําอะไรปฏิบัติธรรมมันก็เข้าใจสัจะธรรมได้ไม่ยากนี่สมัยก่อนพระสงฆ์ข้เจ้าเนาะ เพราะว่าเจ้ายังไม่ตายตอนเย็นเนี่ยหลังจากปฏิบัติธรรมมาแล้วเขาจะมาสอบอารมณ์ตอนเย็นเนี่ยก็เข้ามาเป็นกลุ่มตอนเย็นสอนพระนะหลังจากพระออกไปกลางคืนทีวะปัญหาตั่งต่อปัญหาเทวดาพระพาวิโลกนังตอนสายมาออตอนเช้าไปบิณฑบาตขำมาต่อปัญหา พาต่อปัญหาพระสอบรมพระดึกๆมาต่อปัญหาเทวดาคือเทวดาคือผู้มีอันจะกินในความร่ํเขา้ารวยนะเขาเผื่อเขาจะมาในนานทํางานเสร็จทําบัญชีทำโน่นทํานี่เสร็จนะขี่รถมาพวกพระทําวัดแล้วเขาก็กลับไปพวกโยมเขาก็จะมาเวลาเทวดามาเนี่ยมันจะ็ดเขามาหลายคนน่ะเขามาเทวดาก็คือคนรวยเนี่ยนะทางอินเดียเขาเรียกว่าราชาเรียกว่าเทวดาเทวดา ของเราเที่ววัดนี่หมายถึงคนหัวเหลีมแหลมหอกมาไม่ใช่คนละความหมายทีนี้เวลาสอนเนี่ยพระสงฆ์เจ้ามาเขาแต่ก่อนเขาจะมาฟังพระพุทธเจ้าท่านพูดในฟังท่านจะพูดแล้วสอบอารมณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเรียกว่าทําวัดคือกิจวัดเน่ยกิจจะวัด น, ะจจดนี่เขาจะนัดกันเลยมาเลยจนทั้งมันเกิดกิ จ, จวัดใหญ่ตัวโบราณเขาเรียกว่าจดุรงค์ันธิบาท นั่นคือพระสงฆ์พันสองร้อยลูกมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายวันสิบห้าค่าส่วนมากเขาจะมาพเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ตะเกียงไงบางทีบางคำพีขเขาพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วจะมีใครฟังนะ่ะถ้าไม่ได้มีทโทรโข่งสมัยนั้นเสียงม่ที่ดังหอดเด็กคู่มือใ น, นยังแปดหลอดเปิดสเตอริโอข้ามไปยังไม่ค่อยฟังเลยยังไม่ตั้งใจแต่คนเขาศรัทธางไง เขาตั้งใจมากนั้นเวลามาก็ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเอาคนนั้นก็แสดงว่าเนี่ยกิจวัตรเนี่ยทุกวันบางทีก็มาเช็ดถูมาปัดกวาดบ้านเรือนไอ้กุฏิพระพุทธเจ้าแล้วก็เบียบนวดบ้างต้มน้ําร้อนน้ําชาไม่มีน้ําชานะ้าร้อนยาสมุนไพรประมาณนี้กินปุ๊บปุ๊ไปสอบประลมก็กลับที่พักคือเขาทำหนีทุกวันทุกวันทีนี้พระพุทธเจ้าตายแล้วการทําวัดทําไง แต่ที่จะมาฟังพระพุทธเจ้าพูดมันไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ให้พระสงฆ์ที่เป็นเทระเนี่ยพระผู้ใหญ่ที่จําได้ดีเนี่ยพูดให้ฟังนะเอวเมีส e ุตังเอกังสมายังบกวาเอวเมนแปลว่าข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างนี้เอวเมีเ e นี่ยแปลว่าข้าพเจ้าได้ยินพระพุทธเจ้าจะพูดมาบ่นี้ก็มาเล่าให้คนฟังเล่าพระสูตรนี้สอนพระสูตรนี้พระสูตรนี้เป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรนะนะเป็นบทเป็นบทเขาเรียกว่าปรับพระภาษาพระ บัพพะคือแปลมาจนปัจจุบันนี้เราเรียกว่าฉบับแต่ก่อนเขาเรียกว่าบัพพะนะบัพพะบัพนี้บัพนี้บัพนี้ของเราเป็นฉบับเนี่ยเนีั่นมาเพียนมาหน่อยแล้วก็สอนกันล่ะบอกว่านี่อ้าวันนี้คนนี้พูดเรื่องวินัยจําพระพุทธเจ้ามายังไงพระอุบาลีว่าถ้าธรรมะกับพระอานุ์จํามากกว่านะเรื่องทุด้งล่ะพระมหากสปะว่าเรื่องฤทธิ์เดชพระโมกคลถ้าจะอาทิตกับพระอนุรุทธะเนี่ย ปัญญาภาษาหนี้บุตรเนี่ยเขาก็จะพูดพระมหากระจายนะ์คนเนี่ยเขาจะพูดเรืๆๆๆ่อๆเขาก็จำจำจำจำเขาเรียกว่ามุกขคาถะก็จําเอาจําเอามาฟังเอาแล้วก็กลับไปทีนี้ต่อมาทีนี้คนที่เข้าใจธรรมะไปเนี่ยมันหายไปความจําเขากลัวว่ามันจะหายไปเขาก็เรียกว่าสังขารยานาสังขาร ย, ยนานไปว่าร้อยกรองร้อยกรองพระธรรมมีไหนร้อยมากรองเอากรองอะไรที่ไม่ดีตัดออกตัดออกเอออันนี้ได้ยินมานะแต่ไม่ค่อยดีนะตัดออกไป ก็เอาแต่สิ่งที่มันดีๆมารวมกันเขาก็เริ่มให้สวดพร้อมกันทีนี้สวดพร้อมกันขึ้นมาพร้อมกันว่าคําสอนให้มันสวดได้เหมือนกันแล้วเรามาแทนที่จะมาฟังองค์ใดองค์หนึ่งพูดคือสวดพร้อมกันทีนี้แล้วให้ประธานอย่างโนตานี่นเป็นคนอธิบายให้ฟังนีมันก็เลยว่านี่คือทําวัดแต่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยรีบทํารีบเสร็จรีบทํารีบหนีหรือบางทีทำปุ๊บก็เหมือนทําให้มันขลังมันศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่าง สวดอันนี้เพื่อใจนั้นสวดนั้นเพื่ อ, อนนี้คาถาชินนพรคอนพระไตรปิฎกกอะไรแบบนี่ยยทิปิโสร้อยแปดจบเลยมันพือให้จิตมันนิ่งๆแต่มันไม่เกิดปัญญามันไม่เข้าใจอ่ะแต่ น, นี่เราแปลอรรมมาแปลหนังสือธรรมวัดเนี่ยพระไตรปิฎกออกมาให้เราสวดลงเพราะว่าการสอนเนี่ยนอกจากปฏิบัติทำมมันต้องมีหลักฐานน่ะหลักฐานถ้าจะเป็นพระบาลีอยู่มันก็แย่มันต้องให้เกิดความเข้าใจเพราะเราไม่ได้เรียนบาลีไงก็เป็นคู่มือศึกษาเรียนรู้ออกเข้าใจนั้น การทวารสวนมนเทนที่อลังหังนซ้ำมาทุกวันหรือบางทีก็โยโซปะกว่าพระผูมีเหล่าก็เปลี่ยนใหม่ซะบทวันนี้สวดบทนี้วันนี้สวดบทนี้วันนี้สวด บ, บทนี้เอาสร้างจังหวะดีๆมองไกลๆหายใจยาวๆพอมันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนมันเยอะเดี๋ยวเนี่ยแทนที่จะศึกษาคําสอนพระยามัไม่ได้ศึกษาแล้วเดี๋ยวเนี่ยไปเรียนรู้อะไร เปเลียนู้คาถาเงินล้านคาถาป้องกันตัวคาถาอ อ, อะไรนะ่ะมหาลัยวยคาถาอยู่ยงคงกับผัดไปโนนน่นะมันไม่ใช่เรื่องปฏิบัติธรรมแล้วเดี๋ยวนี้ ไ, ไปไกลอันนี้เราจะมีเฉพาะบทมันที่เรียนรู้เนี่ยอันท่านทั้งหลายจบแล้วอยากได้หนังสือทำวัดนี่ไปอ่านดูไปศึกษาดูะติดต่อแม่ชีเขาที่โ น, น่นเอาไปอ่านได้แต่ตอนมาอยู่ในนี้ ห้ามอ่านห้ามเรียนรู้คือให้รู้สึกตัวอย่างเดียวอยู่ในนี้ให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวเรามาปฏิบัติรำอันเนี้ยก็คือปฏิบัติอย่างเดียวตั้งใจปฏิบัติอะไรเงีแต่การถวายทานการท่องคำลรทานศีลละทานธรรมอะไรประมาณนี้ควรจะได้ว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเกิดมามันต้องมีอันนี้เป็นพื้นฐานมันต้องได้หน่อยไหว้พระสวดมนต์พวกเนี้ย อาาธนาสีนาธนาควรจะมีนั้นถึงแม้มันจะเป็นเปลือกมันก็ตามแ่ะแต่พุทธมามะกะไม่ควรจะมีควรจะได้แล้วก็สวดไปพร้อมๆกันก็จําเอาเดี๋ยวก็เข้าใจในกัจําได้แต่เราไม่ได้ความสําคัญมันจริงจังมากมายนะแต่ว่าควรจะมีควรจะเป็นมาที่เนี่ยควรจะได้เพราะเราท่องนดนิดน้อยอย่างคําถวายทานนี่เราให้ดูอะไรนี่คําสวดคำอะไรเพื่ออะไรเพื่อมาขึ้นใจอย่างนี้นก็มีมีมีความรู้สึกว่าเออ เราก็สวดได้นะเราก็ท่องได้หรือเข้าใจความหมายมันมากขึ้นเนี่ยว่าเขาหมายถึงอะไรคาถาของพระเนี่ยพระหุงสังหารสมาปินิมิตาซาวูทันตังดีไหมพระหงสงหัรชนเป็นนันมากเป็นหมื่นเป็นแสนมันไม่ใช่นะพระหงสังหาสสมาปินมิมานเป็นหมื่นเป็นแสน ส, สังหสหาสสมาปินิมิตาผู้ทันตังถืออาวุธครบมือนะ เขมีขรรคขี่ช้างคขาไมีขรรบุกเข้ามาโจมตีพระพุทธเจ้าตอนนี้บุกเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าสู้กับมันยังไงเขาเรียกว่าพระหงเนี่ยคือคือคาถาพิชิตมารว่าพระพุทธเจ้าสู้กับกิเลสยังไงเขาจะให้เราใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะให้ต่อสู้กับมารแบบนั้นแต่เราไม่เข้าใจเวลาไปทำบุญําทานพอพระสวดถึงพระหงเนี่ยพระหงส์งังหารไเอาละแม่ใช่บาตรละเมียดพระนะนพระหงส์หันพระหงเข้าแล้ว มันโงกันหรอมันพวกเข่าใจนะนะพราะมันพวกเข่าใจมันก็เป็นแบบนั้นแล้วมันก็เลยแบบงงไงแล้วมันไม่ได้ศึกษาแต่พอเราไปพูดเขาก็เออทำไรประเพณีได้เนี่ยเอาประเพณีก็วางไว้นม่ได้เป็นไรแต่เราต้องเข้าถึงแก่นน่ะอันนี้ยเราจะไม่อยู่ที่เปลือกเมื่อสิกินเขามาถึงบ้านนอกเขาที่ได้พาไปอะไรนะสัปปีนะอ่ายู่วันโนสุขัง พางลังพางลังแปลว่าเปิดฝาบัตรเมรพางลังกินในลดคำว่าพังลังแหละมันบอกเมนพางลังพระลังอะไรยังไงมันบอกเข้าใจนะเพราะบกเข้าใจมันจีเปยไปหมดคาถาสวดตาแดงตาดำเมือสัปาปิโยชตสปาิโยชิสัปาปชตสาปิโยิตสัปะาตสัปดาปิโัปดาปิโตสเปดาปิตปดาปิโยชตสัปดาตสาตาสภาตาสัาตาปยชตาปิโยชิตสปดปิปา ก็จะได้ขี่เขียวสิรุษไสตาเขาเลยน้องนนะคือมันไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจมาเป็นคาถาไปหมดเลยอ่ะที่จริงกะถานเนี่แปลว่าคําพูดคำสอนพระเจ้าเป็นพุทธพจน์แต่เราไม่เข้าใจไงไม่เลยคําสอนพระเจ้าก็เพี้ยนไปหมดนะเอาพูดเพิ่มเติมไปอีกสัหน่อยนะและหลายคนนะยังรู้แต่พูดบ่อยๆนะโอ้ตายดูที่เป็นไปได้ยังไงเช็ดเลือดออกมาเป็นรูปหัวใจสวยงามมากใช่ไหมเนี่ย สร้างเปลี่นคือประทับตาไว้นี่ไหมเข้าคือมีเล็กบางคนก็ชอบเหมาอยู่ได้นี่ม่มาวัดไปซื้อเนอะาะย่งไปย่งมากได้ยินเสียงตด ด, ดังแป๊ดแปดไปซือ่อแปดแปดประทึกซ้ำหมดเคนม่าวัดยี่หมานเนี่ยก่อนมาหาลูกตาลูกตาให้เลขเจ้าหน่อยแน่มันนะลูกตาเลยถามว่าจะได้ตัวดําหรือตัวแดง จะได้เลขใหญ่หรือเลขน้อยเพื่อนว่าจะได้เลขใหญ่นะจะได้ตัวแดงจึ่งคืงเลยจีไหวก็อยากได้จึ่งคึืนเลยน้องนะลุงตากำลังอย่างลุงตาก็เลยไปฉีกปฏิทินให้เอาตัวแดงมันก็มีวันอาทิตย์น่ะนะได้ไหมตัวดําก็มีเลขนย่านัะอืะแต่เพื่อนว่าปฏิทินวันเดือนกุมภาพันธ์มันมียี่สิบเก้าวันเราเขาไปซื้อเอาตัวแดงยี่สิบเก้าแหละไม่ได้สี่หมื่นหุนบลเราก็ได้ ฟ้าตัวเจ้าก็หงุดหงิดข่มวมกว็ขวอยซะนะวะเล่นไปได้ยังไงก็ไม่ไคนมันจะถูกคนก็ถูกแหลนะเนาะที่นี้พูดถึงเรื่องอย่างอย่างยกตัวอย่างให้ฟังนะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีเนี่ยอย่างคำสอนที่ถือว่ามันเป็นประเพณีของเราเราทำอยู่บ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะบ้านน อ, อกแถวนาฮวบอบ้านกลางบ้านน้องที่ดาบ้านโมนี่เราชอบเอาบุญบุญอะไรอะ่ะ บุญพระเวทบุญพระเวทส้นดอนเฮ่บุบบมบุบบัมบุบบัมสุ้มบุญจเได้เธอเนี่ยหอนมันบ่เป็นบุญไม่ได้ควายตายเลยเจดเธอเอาตีกลองสุมบุญมุยซุมบุญเด้อตีกองบุบบุบเนี่ยหนังหัวควายมันหยาบโลดตายกูตายบ่ะนี้มันย่านโลดบุญเจดเธอเนี่ยเอาตำรวจเอาทหารบันมรักษาบุญเจไรมาปัดนั่นเด้นี่เพราะว่ายังมันไม่เป็นบุญมันมีแต่คนเมาเด้ แต่ก่อนเขาไปแห่เอาเพราะวิทยาสานเอาใครไปเอาเอาคนรักษาศีลแปดเนี่นนะข่าวจากพระคือวัดเท่าหน่อยไหมวัดโสมรัณเนี่ยปฏิบัติธรรมแต่ละปีเยคนชั่วเข้ามาไม่ได้เลยนะมันเป็นแต่ดินแดนของผู้ฝึกสติไงไม่มีใครเนี่ยเข้ามาจะมาดูนั่นดูนี่เข้ามาไม่ได้เพราะมันไม่มีเน่ะขอบเขตนะเนี่ยมันเป็นขอบเขตของผู้ถือศีลนนะ่ะเห็นไม่มีใครมาเที่ยวไม่งานวัดเราเนี่ยไม่มี่ มีคนมาเที่ยวก็คือคนเข้ามาดูว่าจะปฏิบัติทำเนี่มาขออนุญาตมาดูเข้าปฏิบัติดูก่อนออกไปนี่จะมาสมัครนม่แบบนั้นน่ยมีแต่จะมาเที่ยวดูนั่นดูนี่มัน ม, มีนะแม้แต่คนเข้ามาขอเยี่ยมคนนั้นดูนี่ก็เราติดป้ายไว้นห้ามเยี่ยมห้ามประกั น, นะเหมือนนักโทษนทนเนี่ยเท mm. ่านี้ยอ๋อจีนมาเบานั่นไงอันอีเม่ใครได้ใครใช่ไหมห้ามผ่านได้แต่จะมีเจ้าหน้าที่รออยู่ห้ามไปเราให้ฟังเราสิฟุงซ่าน กำลังใดสมารถที่อีเมข่ครก็ตายพอดีเนะมันกำลังอย่างเมื่อพอดีไหมเขาโทษมากว่าให้อะไรเนี่ยมึงก็ต้องเข้ามาออกไปเขาโทษมากกับ้างไพรี่ตายกับ้างขั้นเข้ามาปฏิบัติธรรมหรอไม่มีข่าวข่าวข่าวข่าวเหียบหายไปสองสามปีสมสีสองหนึ่งเก้าเก้าสองนะไม่ให้มีมันมีเลยจบ เข้ามาในปิดตายไม่มีข่าวไม่มีข่านะครั้งหนึ่งเลื่องโลนตาว่านะว่าอะไรนะบักเลโอนิลมิสซี่ตายเลยนะถูกเขายิงตายที่หน้าผับน่ะกับโบอโลนันโดว่าวาดผูไปซื้อซื้อซุ่มพระดิพันติดฟุตบ่อนพุทธมาบวชผ่าตายเิยนะตาสิงแจ้เลยถึงเม้าคิดไม่ตกเดินจกกูงกลมตายแต่ที่นักฟุตบอนดังปเดนอะเอาไปเามา อยู่วะได้พะนะไปรอยืนถามโยมมาจังหันตายแล้วตีปะนะเขาหอดพระอุจจักบักโรุนนันโดไปเป็นไผ่พูะอจักเขาถามมาบักโรุนนันโดลูกไผ่ไปไหนแต่พระเขาแบบทุกข์หลายแล้วได้ยิน ว, ว่าซสือๆหลจักหวดสมมุติดิดนนี่อะามันพระท่านตายเราสมมุดเสือเทขันติด น, น, นะมันยากนห่นั่นมันยุ่งยากแต่เราไม่เข้าใจ มีบุญมีทานที่ไหนเอาจริงเอาจังงานศพกับเมางานบุญงานทานงามนมัดบุญพระเวทสันดรแห่งหลากหลายขันบมเห็ุบุญสันดรปัดฝนที่มัตกต้องตามฤดูกาลได้ไปนะฝนนี่คือน้ำใจคือเราจะไม่เห็นความเป็นมิตรเป็นสหายกับคนคนนั้นเขาอกใจเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหตุบุญพระเวทจะเรือเขาดูแลกันได้ฝนคือน้ําใจอ่ะมันไม่มีแต่คุเมื่อนี่ฝนตกอย่ังไยเป็นน้าเน่าทั้งมดปาดเนี่ เป็นน้ำเหล่าน้ำยาไปหมดนะ่ะในความหมายมันบ่กแมนบุญพระเวทนี่คือเรื่องกันบรรลุธรรมเป็นเรื่องจิตของคนคนหนึ่งเขาแต่งเมือ่อพศแปดร้อยเนี่ยว่าถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งของพระพุทธเจ้าแต่เขาบ่กเข้าใจเอายอย่าอยๆว่างพุทธศดีพระเวทสันดรเรื่องพระเวทสันพระเวทสันดรเนี่ย เป็นลูกของเท้าสนชัยกับนางปุษดีเวสันตละในแปลว่าทางแห่งปัญญามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาถึงเรียกว่าเวสันตละแปลว่าคับแคบไหมแต่สิ่งเหล่านี้เป็นลูกของใครอ่ะเป็นลูกของสนชัยสนชัยเท้าสีสนชัยเท้าสนชัยสนชัยก็คือสัมปะชัญญะ พุทธสดีก็มาจากว่าพุทธสติเนี่ยเห็นไหมนั่งพุทธสีที่นี้พอเขาไล่หนีมันไม่อยู่บ้านอยู่เรือนนะอันนั้นนี้เขาก็เลยไล่หนีเขาให้ไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือเกิดมาที่แรกจิตมันเป็นแบบนั้นแหละเหมือนใจธรรมดาธรรมดานี่ยแต่จิตเด็กเนี่ยมันไม่ได้บรรลุธรรมันไม่รู้ว่ามันทําแต่ว่าจิตมันว่างอยู่จิตเด็กเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีวิปัสสนาอืมพอมันไม่มีวิปัสสนาเนี่ยปัญญามันไม่เกิด นะเขาให้ออกจากเมืองนะเรื่องมันน่ะเมืองเนี่เมืองปะเชชัยเนี่ยเมืองเชตุดอเนี่ยก็คือเมืองนิพพานนะสภาวะนิพพานจิตมันอยู่เน้นสติสัมปชัญญะมันไม่ไปไหนนะมันอยู่ใน้นะมันนิพพานแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันชอบไปอ่ะชอบไปโน่นไปนี่ไปจยกรทั้งว่ามันไปติดรูปรสกลิ่นเสียงเขาถึงยกเรียกว่า C, อินเสียอินเสียห้า รูปรถกลิ่นเสียงมันปะทะกับใครปะทะกับอินทรีย์ภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นไก่ใจคือเวทสันนด์เนี่ยพอมันกระทบกันมันก็เกิดได้ลูกทีนี้พอมันไม่สํารวมมันไม่มีสติสมบูรณ์อยู่ด้วยลูกมันก็คือกัญหากัญหาก็คือแปลกัญหาแปลว่าดำก็คือตัณหานั่นแหละตัณหาเห็นไหมเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตเราเนี่ยจะไม่มีสติมีตัณหาชาลีทีนี่ชาลีแปลว่าข่ายแปลว่าอุปทาน ขายก็คือสิ่งที่ดักจิตจิต ค, ค, คือความยึดมั่นหรือมั่นเนี่ยมันก็ดักเราอ่ะเห็นไหมมันเกี่ยวกับอะไรไปแห่เอาอะไรเข้ามา น, นี่พระคือไปนั่งเขียนเขาเขายา่ากจนตกหอดเขียนผู้พระกรได้เขาบรจากแฮโยกไปโยกมาแล้วก็มีความโลภความโลภ ก, ก็คือชุโชกเห็นไหมนี่ย ช, ชูยชกชูชกมีเมียชื่อว่านางอะไร นางอมิตรตาอมิตรตาคืออมิตรก็คือเอชู้ชกนี่มันเอาหมดนะมันโลภท้องใหญ่ๆจมูกน้อยๆขอแหลกเลยอะไรกูก็จะเอาอะไรกูจะเอาอเอาจนหมดสิ่งที่มันไปขอไปขอใครขอกันหาทันความโลภมันเป็นเพื่อนกันนะกับกันหาชาลีเนี่ยคือตันหาอุปทานเนี่ยแต่สิ่งที่มันอยู่ด้วยกันเมียของมันก็คือนางอมิตรตาอมิตรตาก็คืออมิตรก็คือผู้ไม่ชิคือคู่ทุโทสะนั่นแหละเอาลืมตากว้างๆมองไกลๆง่วงเลยนี่ เทศไปถึงสามทุ่มนิดจะเริ่มทำวัดอีกชั่วโมงหนึ่งนะเนี่ยเมื่อตา ก, กงองกองม่องไก่ตายแล้วปท๊อปไปโนรุมพุสังรุมพุสังสะพุนเขาซ่านไปเรื่อยๆเ้ยเก็บเล็กผสมน้อยไปได้ไาสลาดปฏิบัติธรรมนานแล้วในเจ็ดมีปัญญา <c oughs> แต่ว่าห้ามใครเรียนแบบอเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการดู <c oughs> เอบทุกนโมวะทอเติ้งทีแล้วคันลวงตานเนี่พราะจากไอแล้วเมนว์่าไม่ไหลคนเนี่ยองเพิ่นบ่มี่เลยซื่ออยู่ <c oughs> อืมายกับบ่มี่มาถกอืมบ่มี่เสี ย, ยใจบ่มี่อย่างความง่วงมากหามันปลักพรนไปแล้วอยู <c> ่ <oughs> สบายเลยด้ยบทุก แต่ถ้าพวกเรานะถ้าง่วงล้งดาวว่านี่โกรธนะโทรสะมีนะแต่ลวงปูท่านไม่มีเด้มันบวกคือปูอื่นเด้เพิ่นฟื้ได้แล้วเห็นไหมเนะี่ยขบวนการมันเป็นไปอย่างนั้นอ่ะเอาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยพระเวสสันดรไปอยู่ไหนอยู่ไปอยู่เขาวงกดวงกะตะแปลว่าโคดรเขี้ยวนี่เรามาอยู่เขาวงกดนี่ใจเรานี่มันโคตไปโคตมากคตรไปโคตมาก็มาบำเพินเอี่ยมาเป็นพฤืสีพลือสีคืออะไรก็คือต้องสวมหนังเสือคือสีเนี่ย ทำไมต้องสวมหนังสือมันบ่งบอกว่านี่คือความเป็นผู้กล้าญาติโ ย, ยมที่สวมหนังเสือนะ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้นะ่ะคือสวมวิริยะนั่นเองนะจิตมีวิริยะคือสวมหนังสือคือผู้กล้ากล้าในการที่ต่อสู้กับกิเลสตัวเองเขาเรียกว่าพาลือ้อศีใช่ไหมก็อยู่ในป่านางมัทสีก็อยู่ห่างๆเด้อ เ, เก็บแต่ผลไม้ละเอามาฝากซื้อๆเด็กหามมาสู้กันนะ่ะนางมัทสีเนี่ย นันก็นางมัสซีก็อยู่ต่างหากกอเหมือนว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยรูปรถกินเสียงเนี่ยฝากไว้ต่างหากเดี๋ยวในเดี๋ยวนี้ฝากไว้เราไม่เอามาด้วยนางมัสซีเราเอาไว้บ้านหรือบางทีมาอยู่ที่นี่มันจะกินอรือดื่มอะไรเราก็ไม่สนใจเลยเหลือแต่ตางูจมูกลิ้นก ใ, ใจแต่อยู่ด้วยกันอยู่กับลูกลดกินเสียงเนี่ยแต่ไม่ได้ใส่ใจะตั้นหาไม่จึงอยู่ด้วยกันมประี่ยแต่ก่อนไปนี่เขาต้องอะไรต้องทานช้างขี่ช้างไปเขาพามเขามาขอเขามาขอ ต้องสละต้องสละออกสละออกสละออกคนที่ไปจะไปทำเนี่ยเนี่ยบางคนขี่ช้างมานี่บึนบึนบนบึนบนมาเนี่ช้างโตโยต้าฮอนด้าอะไรเง้ยเนี่ยขี่มาเนี่ ย, Toyota, Honda, ย, ยขึ้นไหลายได้นําสร้างปไปเขาบลักบอสลงจากเคให้จอดนอกนะ้อมีไหมเนี่ยบางคนก็อยากได้คุณแย่สตาร์ทเครื่องเนี่สิ่งี่สตาร์ทกี่ห น, นีปล่อยว่างสร้างไหมแม้เฮ่ยช้างเนี่ปล่อยว่างได้มาแล้วเนี่ยบางคนก็ขี่มา้ามา คือนิสัยน่ะนิสัยเยอะ ย, ยิ่งมันช้างนี่ทิ้งไปนิสัยทาอะไรเร็วๆวุว้วๆปับปับนี่แบบม้านี่ดีดกระโหลกนี่เขาก็ไม่เอานิสัยทั้งสองอย่างไม่เอาให้เป็นนิสัยคือเหมือนไม่มีม้าไม่มีช้างในจิต ripped. คือท่านสอนเนี่ยก็ทําตามท่านคนระัช้างมันกินอะไรแหละมันกินกา แ, แฟเหรอกินมะพราะ้าวเหรอนะกินขนมนมเนยกินอะไรกินทิ้งไม่ต้องมันมีไม่ต้องมันกินอะไรเนี่ยกินใบไผ่ใ บ, ใบตาลกินหมากกินผูกินทิ้งหมดนะไม่ให้มันมีเลยเนี่ย ให้มันสะอาดจิตเนี่ยมพริบัติธรรมนี่เขาสอนแบบนั้นอืมแต่นเข้าแบบบึมบ่มบึมบั่มบัมบมบมบมบ่มเข้าไปสีเข่าหัววัดกับ่ได้เขาบริโถงจะเฝ้าเขามาไลายจ้างมาแพงนี่มาดิกล่องเางาเขานี่แม่เต้นจนพระสวดม้อนแล้วก็ยังบอเขาวัดอยู่มึงดูคือมันไม่เข้าใจว่าคําสอนพระเจ้าแทนที่จะเป็นไปเพื่อจุดเดียวกันคือเบื่อนลุนิพานเพื่อเข้าใจสื่อธรรมมันไม่เป็นเนะ่ะแต่เป็นไปเพื่อกิเลสแล้วเดี๋ยวนี้ ไปแต่สงสารน่าสงสารคําสอนของผู้ศาสนามันได้เหลืออยู่แต่แบบเพณนี้เลยเนี่ยทีนี้ไม่ได้จะปฏิบัติธรรมชูยศมันไปขอเขาเลยว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทิ้งออกทิ้งออกทิ้งออกทิ้งอะไรทิ้งทิ้งความโลภอย่างปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้นั่งปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานทางนี้นี่ที่จะบําเพ็ญ ที่จะปล่อยวางได้ถึงที่สุดเนี่ยต้องทําแบบพระเพียรซนดอนแต่เขาก็สร้างเอาชูชกเนี่ยเขามาเป็นเงื่อนไขในการขอเนินขอนี่คือให้ทานออกไปเนี่ยที่จะทานได้คือทานอะไรทานจริงๆเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาอธิบายคําว่าทานเฉยๆนะทานลูกทานเมียนะแต่เขาทาเป็นรูปจริงๆทานลูกก็คือทานตันหานั่นเองทานตันหาทานอุปทานไม่ใช่เอาลูกเราไปให้คนอื่นนะ ทานเมียก็คือทานอะไรทานเมียก็คือทานรูปรสกลิ่นเสียงที่เราติดอะเลชอร่อยติดความเพลิดความเพลินนี่ให้ปล่อยวางออกไปนะอันนั้นไม่ใช่เอาลูกเอาเมียไปทานนะแต่ว่าจิตอันนี้มันติดอยู่กับวันนี้นี่เราต้องเอานี้ไปทานเขาว่าเป็นลูกเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวละครขึ้นมาเฉยเฉยเรื่องนี้เก่งมากแม่คนทําเนี่ยไม่รู้ว่าใครแต่งนะท่านญาณาโพนิกะหรือใครม่งม่มเขาเลยมาบอกว่าเป็นชาติหนึ่งของพระเวตสันดรแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องเล่านะ ไปอ่านดูในประวัติวรรณคดีบาหลีเนะทีนี้อะไรนะเอาเข้าไปที่นี้จะไปไปไปถึงพระเวสสันดรได้นเนี่ยเขาจะมีมีในพานเจตบุตรรออยู่ข้างนอกมีหมาสามสิบสองตัวคือเขาหมายถึงว่าเวลาเราจเจริญสติตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยเวทนามันจะเกิดขึ้นกับอาการสามสิบสองคือหมามันเป็นเหมือนหมาน่ยหมามันกัดขาเราเนี่ยเจ็บขานี่ยเจ็บต้นเจ็บตาเจ็บหนนูเรียกว่าหมากัดหมา บักโคกสนันนันบักกันพาหักบักหัวยจิกให้บ่วท่านปงบักอีตูไหวไหมเนี่หมานะสามสิบสองตัวเห็นบมเจ็บขาโอ้ยเจ็บแอวโอ้ยไม่ยกเจ็บปวดไหลปวดแค่ปวดท้องเห็นไหมสามสิบสองตัวมันปวดไปหมดนะ่ะนี่คือหมากัดหมาในพานเจตบุตรเจตบุตรคือเวทนาเนะี่ยเจตเวทนามันมีเวทนาเจ็บนั่นเจ็บนี่ขึ้นมาเลย ที่นี้โอคผ่านนี้ได้เนี่ยชูชคผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมผ่านได้ะต้องมีปัญญาผ่านนะชูโชคว่าข้าไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยถือพระราชสารมานะเนี่ยจะขอผ่านไปหาพระเวชนอน์เห็นไห ม, มเข้าไปแต่พอเขาไปแล้วไปเจอฤาษีเนี่ยถ้าผ่านเวทนาได้เนี่ยฤาษีในตัวแทนความสงบเราจะเข้าไปเจอความสงบแล้วต่อไปเนี่ยถ้าผ่านเวทนาได้เฉยกับมั น, นต่อไปมันจะว่างโ ล, ล่งแทนฤาษีแต่เจอฤาษียังไม่ใช่การรู้แจ้ง นะมันเป็นแค่ความสงบที่ทำํำไงจะผ่านพระฤาษีเข้าไปข้างในได้ไปเช่อพระเวสสันดรจะไปขอตัณหาชาลีถ้าเอากัณหาชาลีออกได้เนี่ยเอาอกัณหาอุปทานออกได้เนี่ยมันจะสบายแล้วทีนี้เอาตัณหาชาลีออกได้แล้วยังจะเอานางมัซีออกได้ทีเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยมันยากมากก็จะมีวิธีเข้าไปก็เอาออกไนะนางชาลีตัณหาชาลีก็เมินมีเหมือนอะไรมีพระอินลงมาขอแต่ขอแล้วก็ฝากไว้ไม่ได้เอาก็าหมายความว่า เราจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่ารูปรล้วกินเสียงมันไม่ใช่ของเรานะเรายืมมานะ่นเนี่ยตา้งหัวจมูกลิ้นกายใจพวะเนี่ยเรายืมเข้ามามันเริ่มส่งสัญญาณแล้วมันเอาคืนแล้วเนี่ยผมมันก็จะเอาไปแล้วขาวแล้วเล็บฟันหนังไม่ใช่ของเราสักอันน่ะพระอินทร์แมะขอเอาไปแล้วก็ยืมแต่เขาฝากไว้แต่เราไม่รู้สึกว่าเขาฝากไว้นี่เราของเราเนี่ยเดี๋ยวนี่ตา้หัวจมูกลิ้นกายใจรูปแล้วกินเสียงของกูของกูของกูเนี่ย เห็นไหมพระอินทร์พอขอปุ <to> ๊บรถกยาน้ำให้ประเวศสันอนอย่าลืมเด้อท่านในผมเลยได้เมียนี่ยอย่ามาชุนเด้อนี่ของผมเนี่ยนี่ผมฝากไว้ซื้อเด้อท่านเขโอ้ฝากไว้ก็ฝากไว้เอของเรานี่ของเรามุดเลยขนาดเรียนรู้ปานนี้กลับไปนี่กับของกูใช่ไหมนะอย่าว่าจะรูปรลกลิ่นเสียงเถอะน่ะทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามนะเป็นของเราหมุด ประเทศชาติของเราอะไรวะทางโลกเนี่ยเขาสอนให้ยึดมั่นหรือมั่นแต่ทางธรรมเนี่ยไม่ใช่เขาสอนให้ปล่อยวางเขาสอนให้รู้แจ้งถึงความจริงของสาจธรรมว่าชีวิตจริงๆมันคือแบบนี้เฉยๆคุณต้องปล่อยวางถ้าคุณไม่ปล่อยวางคุณจะทุกข์เพราะถ้าไม่ปล่อยวางมันก็อ น, นิจจังทุกขังนาตาโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันอ น, นิจจังอยู่แล้วเนี่ยแล้วไปยึดทาไมเนี่ยเขาก็เลยทําเป็นเรื่องเป็นราวอ้าวทำหลูกเขาวงกดไปแฮงมาแต่พุ่แเฮมาทะบี เราเอาบุญพระเวทมาี่กี่ปีแล้วมีคนบรรลุทำไหมมีคนเข้าใจอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีมีแต่โง่เพิ่มมีแต่งมงายหนักขึ้นนะแล้วเรียกว่าศาสน า, าพุทธเจริญเอะยิ่งทำมากไปยิ่งเปลือกมั น, นยิ่งเยอะอ้าวมองไกลๆมองไกลๆหายใจยาวๆเบิ่งหลวงปู่สั่งในนี่สดใสเทะๆ้ๆองใสแตะๆนะ พระสังเนี่ยเนี่ยดูนิทานเด็กเราจะเล่าให้ฟังอันนี้นะเอาพอยังเคยได้ยินเรื่องสังทองไหมพระสังนะพระสังนี่แต่งกับนางจันทาทวีนะเตายสดสมิมนเต่ยสดสวิมนก็คือคนหลงติดสมมตินั่นเองไงยอดสมิมนจันทาทวีคือความป่องใสของจิตระดับหนึ่งเหมือนดวงจันท์เนี่ยนะสังทอง มันเกิดมาที่แรกคือจิตของคนเราเกิดมาใหม่ๆมันจะไปติดสมมุตินั้นเกิดมาที่แรกมันดีอยู่มันสว่างโล่งๆอยู่นิดหน่อยแต่พอมันโตขึ้นหน่อยมันจะยิดเข้าไปในหอยสังคือมันติดสมมติหอยสังเปลือกหอยสังคนี่คือสมมุติมันเองะแต่นางที่มาทําร้ายนี่คือนางอะคีอะคีก็คือโทสักนี่เองที่ทํายังไงแนวเราจะทุบ ห, หอยสังค์ได้ทุบหอยสังก็ตีสมมุติให้แตกซะเราอย่าไปยึดติดกับสมมติที่มันมีกับจิตเราเนี่ยถ้าเราออกมาได้เนื้อทองของพระสังคนี่เห็นไหมนี่ พองใสเป็นทองนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะข้างในท่านเป็นพระสังเป็นทองแต่ท่างงอกท่านสวมรูปเงาะรูปเงาะเนี่ยเนี่ยคําว่ารูปเงาะก็คือติดอยู่สมมุตินั่นเองเงาะเนี่ยทั้งเหนือนะเงาะไม่มาเงาะไม่อยู่เคือเงาะไม่อยู่คือมันไม่ติดสมมุติเงาะมันหายอ่ะเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่เขาถอดถอดอันนี้ออกไปเนี่ย เขาเป็นพระจริงๆอนะ่ะมาติดสมมติติดสมมติกูเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เลยเป็นทุกข์แม่ก็เลยหงข้าวหาปลาไว้ถ้าแม่รู้ได้จดแจ้งทุกแห่งหนนะมาจากดาวบทไปเทบไทยสิงสู่อยู่พุกษาสงสารดังจันกระยายเจ้ามาเหนื่อยอยากลำบากกายต่อไปง่ายเไงนะหลวงปู่ เทพบุตรจุติมาบังเกิดกำเนิดปิดผลคนทั้งหลายบุญญาธิการนั้นหมากไม้จะล้ำเลิศเปิดไพ่เมือไพ่มือตกน้ำไหม่ไรตดใม้ ก, กองเปิ้ลใหม่สู้จะได้ผ่านล่างหนึงลื่นลดีซอพัดดันขู่สร้างกำลังรถเจน่าห้วยเกือบมรณภาพนะ น, นี่หาย <c oughs> ใจไม่ทันเว้ยมานได้จะสุขเกษมสารทิ้งไว้ใจยากลำบากนานกุมารซ่อนตนจะดนใจจึงบันดาลให้เป็นไก่ป่า <c oughs> เห็นไหมเทวดาเนี่ย เทวดาคพระสงฆ์พระเจ้านี้แล้วสอนนี่เป็นไก่ป่าคือมาบอกยมยอ ม, มออกจากสมมุติซะกินข้าวมานดาหาช้าไหมขันกล้องร้องตีกันมีไปวุ่นวายอย่างนั้นแหะเพื่อให้ตัวหอยสังมันออกมาสติออกมาทํางานซะสตินี่ออกมาทํางานซะอย่าไปจมอยู่ในนั่นเอาสติมาทํางานเห็นไหมนี่หลวงตาก็เหมือนไก่ป่าละขันไปมาด่าโยมแดงห้อยบรนดากูเฮิร์กูบุรุษซึกนี่กูจีทุกข์ด้นี่ เหงานอนดในง่วงเหงาเนี่ยมันก็บุกดิสติมันก็เกิดดิเนี่ยมันมาเนี่ยคุยเขียห้อยเกรให้กระจายดินมันก็อ้าวเมื่อนั้นพายแก้วเวี้ยวไว้ไม่ใช่คนละเรื่องกันแล้วคุณแผนอะไรนะพาเม่พานี่ไปการจะนับุรีนี่ไปคนละเรื่องแล้วเนาะมันทำไม่ได้เมื่อนั้นลำหับชมป่าเลยคนละเรื่องกันอีกอะไรเนี่ย อย่างนี้เนี่ยเขาสอนดีใครใครเป็นคนแต่งเนี่ยพญาอุปกิจศลลิลปสารเลยนิมกันจนาชีวะหรือใครไหมวะจำไม่ได้พวกนี้ส่วนมากจะเป็นคนที่บวชมานะแล้วเขาเล่าพยายามที่จะเล่าเรื่องจิตคนนี้ว่าเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราทุบหอยสังแตกปุป๊บมันก็สบายทั้นแม่นะี่เป็นคนทุบเนะ่ะนางจันทาเทวีเนะี่ยทุบด้ไม่กวาดไม่กวาดเนี่ยไม่กวาดคือสติเนี่ยเี่ทุบๆนี่ยไปเนี่น จิตมันเข้าไปอยู่ในหอยสังมันติดสมมติน่ะกวาดเห็นไหมนี่เราสะสมเอามารวมกันเยอะๆทีละเส้นสองเส้นคือเกเป็นไม่กวาดแต่นั้นเขาก็จะทุบหลอกให้มันออกมาก่อนคือมันออกมาอยู่ในทีโลงๆโอ้โหมันติดสมมติตัวน so ouais ี้ม oh like ันก็สว่างแจ้งมันก็หายไปเลยเนี่ยเปลือกมันเนี่ยมันไม่มีน่ะเปลือกมันคือสมมุติน่ะแหละแต่นี้เราไม่เข้าใจนี่ทนมนีทานนะเนี่ยเขาสอนเรื่องนี้แต่เราไม่เข้าใจเราก็เลยไปติดมันไปติดผูกพันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ี่ย ยาวไปเคยได้ยินไหมเรื่องปฏิจจสมบัตเพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงมีเพราะเหตุนี้ดับเหตุนี้จึงดับนะเขาสอนเรื่องอะไรนะเอาเรื่องนั้นไงยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าเคยได้ยินไหมหลานไม่เฝ้ากากเลยมากินถั่วกินงาของตายายยายมายายด่าตามาตาตีเด็กทําไงล่ะ ร้องไห้ไปหาใครไปหานายพานให้มายิงกานายพานไม่มาก็เลยไปหาหนูให้มากัดสายตานูนายพานหนูก็ไม่มาหาไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจทั้งวันสุดท้ายไปให้ช้างมาพังช้างก็ไม่มาก็เลยไปหาใครไปหาแมงวีให้มาตอมตาช้างไงหาตัวเล็กๆนะช้างในตัวใหญ่แมงวีมันยอมทำตามนะ่ะมันเลยไปตอมตาช้างช้างก็จะมืดจะมัวให้กูไป ก็ทืบตะลิงดีกว่าตะลิงมันก็จะพังทับน้ําน้ําก็จะไปไม่ค้อนนะ่ะค้อนก็จะไปตีหัวหมาหมาก็จะไปกัดแมวอะแมวไปกัดหนูเนี่ยหนูก็จะมากัดธนูในผ่านมันไปเรื่อยๆแบบนี้เจริงๆเนี่ยขอแต่เรามีสติตอนนี้มีแต่รูร้รู้สึกตัวทุพร้อมเนี่ยรู้สึกตัวอย่างเดียวในสติปัญญาวิปัสสนามันไปเองโดยธรรมชาติมันเลยมันต่อเนื่องกันเพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงมี่แต่ในนี้แมงวีเราเนี่มันตัวน้อยเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยเนี้ยมันไม่ทํางาน มันไม่ทํางานพอมันไม่ทํางานมันไม่ไปตอมตาช้างช้างก็ไม่ทางานถ้าเรารู้สึกตัวอย่างน้อยเนี่ยความคิดความปรุงแต่งมันจะเริ่มสลายไปสลายไปความห่วงความเหงาจะเริ่มออกเลยเนี่ยนะมันจะเริ่มออกมันจะเริ่มหายไ ป, ไ ป, ไปหายไปหายไปจิดมันก็จะเริ่มตื่นเริ่มเบิกบานขึ้นมาทีนี้มันจะกลายเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นยุมุ่งมิโมกไปโดยธรรมชาติ แต่เราก็ไม่เข้าใจพรเราไม่เข้าใจแล้วคนเล่าสนุกสนานเหมือนปัญญาของคนโบราณงมงายพูดอะไรก็ไม่รู้ให้เรื่องตลกไม่ใช่ตลกนะนะ่เรรรนะเนะขาพูดถึงเรื่องสัจธรรมนะเนี่ะเขาพูดถึงเรื่องสัจธรรมแต่คนไม่เข้าใจเรื่องสัจธรรมอะไรนัภาษาอีสานเนื้ถ้าก็จ่าไม่ได้ลืมไปนะนั่นอยากให้เรามีพอมีนะเราจะเข้าใจโอ้ปัญญาของผู้อีสานเขาพูดไ ว, ว, ว้ดีมากนะ จนกระทั่งว่าทุกวันนี้เขาพูดแบบยอะเยะ้ยคนที่มีการศึกษาเนี่ยอัศจรรย์ใจแขหางแา่ๆง่สังบริหารห้องนังนงน่งบัตรกระต่ายหางกล่อมกล่อมกินกลิ่นสั่งบริหารห้องเดี๋ยวนี้จบเรียนรู้ปริญญาตีโทอีกนะอัศจรรย์ใจแข็หางแง่แต่บริหารห้องนัง่งมันลองนั่งก็ไม่ได้ก็คือความรู้เยอะๆช่วยอะไรได้น่ะแก่ทุกท่านไม่ได้บัตรกระต่ายหางกินกินสั่งบริหารห้อง พ่อแม่เราแค่รู้สึกตัวเฉยๆนี่เขาอยู่กับจักตอกจากอะไรเขารู้สึกตัวจิตเขาก็นิ่งเป็นสมาธิเขากำลมีความโศกเขาเขาไม่ทุกความรู้สึกตัว น, น้อยๆนี่กับดับทุกข์ได้แต่ความรู้เรียนจบมา20ปี30ปีปริญญาตีโทเอกได้อะไรมันไม่ได้อะไรอะ่ะพาเราหลงเข้าไปสู่สมมุติโดยซ้ําไปแล้วก็เป็นทุกข์เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นการศึกษาทุกวันนี้ช่วยอะไรได้ช่วยคนฟุ้งซ่านเหรอช่อติดความคิดติดอารมณ์หรอ นั้นความรู้ทั้งโลกมีดีแล้วแต่อย่าลืมเอาสติสัมปญะไปรักษานะฮะให้มันมีความรู้ทางธรรมประกอบกันเข้าไปด้วยคือความธรรมก็ไปรักษาความรู้ทั้งโลกเนะี่ยไม่ให้มันออกนอกแนวออกนอกทางไม่ให้มันเกิดความโลภโกรหลสติมันดีท่า น, นเขาจึงให้คนสนใจว่าเออทางพุทธศาสนาเนี่ย เวลาเราทำพิธีกรรมอะไรก็ตามเราจะจุดธูปสองดอกเขาบอกว่าให้สว่างคนเราต้องมีสองตานะหนึ่งตานอกสองตาในาเนี่ยจุดสว่างเนี่ยตานอกตาในาตานอกก็คือเห็นมีความรู้ทางโลกตาในาก็มีความรู้ทางธรรมมีสองกันนะ่ะแต่เราไม่เข้าใจที่วัดไม่ค่อยได้จุดอะไรนะเพราะเราเข้าใจอยู่แล้วแต่ตัคนก็โง่มาเรียนเราก็จุดให้ดูบางวัดจุดหลายจดใหม่หอดซาราก็มีเพราะมันไม่รู้ความหมายไงจุดธูปก็คือ ให้มันหอมการแสดงออกทางกายวาจาใจให้มันหอมมันสวยมันงามเนี่ยของเรานี่จนจนว่าไม่ซาลาแต่กความประพฤติก็เหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันถ้าเข้าใจในความหมายโบราณเขาสอนว่ายังไงเนี่ยท้านั้นก็โง่จนตายนะมีพุทธศาสนาแต่ใจผูธศาสนาไม่เป็นเฮ้ยาบางคนอาจจะมีข้อขัดแย้งอย่าเนี้ยเหลือเวลาอยู่สองนาทีสามนาทีนี่สามทุ่มเนี่ยใครสงสัยอะไรมั่ง ถามได้หลวงพูทสังติตอบดอกถ้าไม่สงสัยก็ทำวัดนะอ้าวได้เวลาทำวัดสวดมนต์